โยมนั่งนั่งตามสบายก็อขอเจริญพรยัติโยมทุกท่านที่ตั้งใจมาฟังตั้งใจที่จะแสวงหาความจริงของชีวิต ธรรมะที่หลวงพ่อจะแสดงให้ญาติโยมฟังในวันนี้ก็มาจากประสบการณ์ของการปฏิบัติยี่สิบกว่าปีหลวงพ่อเข้ามาบวชเมื่ออายุห้าสิบห้าตอนนี้เจ็ดสิบแปดยี่สิบสามยี่สิบสี่ปี จากประสบการณ์เพราะฉะนั้นคำพูดของหลวงพ่ออาจจะไม่เป็นเชิงวิชาการแต่จะเป็นส่วนที่มาจากประสบการณ์ในวิถีที่ดำเนินอยู่อย่างปรจาจจกความมีตัวตนหรือในวิถีของธรรมชาติ สูงสุดสู่สามัญแล้วเราก็ใช้ภาษาที่เป็นเรื่องของสมมุติขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆล้วนเป็นเรื่องที่มนุษย์เราแต่ละหมู่กลุ่มแต่ละชาติภาษากำหนดเป็นกฎเกณฑ์จะเป็นจะอ้างอิงในส่วน พระสูตรต่างๆหรือพุทธพจน์ต่างๆก็เพื่อให้โยมได้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่หลวงพ่อจะพูดเนี่ยนะไม่ใช่คิดเอาเองไม่ใช่ตั้งเป็นคำสอนเองแต่ว่าเป็นส่วนที่มาจากการปฏิบัติที่ พราะพุทธเจ้าได้ทรงชี่แน่ไว้ก่อนอื่นเรามาเข้าใจตัวเองกนว่าปัญหาต่างๆของมนุษย์เราเนี่ยที่เราดําเนินชีวิตเนี่ยไม่มีใครหรอกไม่มีปัญหาทุกคนมีปัญหามากบ้างน้อยบ้างบางคนก็หัวเราะมากกว่าร้องไห้บางคนก็ร้องไห้มากกว่าหัวเราะ ทั้งหัวละและร้องไห้เนี่ยคือปัญหาของชีวิตเราเราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยภูมิปัญญาเพียงความรู้เรารอบรู้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆตั้งแต่อายุสามขวบห้าขวบจนกระทั่งสำเร็จปริญญาต่างๆสูงสุดคือปริญญาเอก อาจจะมีใครจบล็อกเตอร์ปริญญาเอกหลายศาสตร์หลายวิชาก็ได้แม้กระนั้นวิชาระดับความรู้ที่เราศึกษามาตั้งแต่เด็กๆ เ, เรามีความรู้มากมายความรู้เหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเข้าถึงความจริงของชีวิตได้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่องปัญญา ศาสนาอื่นนี่เขาเน้นเรื่องศรัทธาศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในพระอละัลเลาะห์ศรัทธาในพระพรหมแต่พุทธศาสนาเราเน้นเรื่องปัญญาและเป็นปัญญาที่ที่ทุกคนมีอยู่แล้วปัญญาตัวนี้ปัญญาปัญญาที่จะรู้ความจริงนี่ ทุกคนมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักที่จะพัฒนานำมาใช้ร่วมกับการดำเนินชีวิตในยุทธประจําวันของเราได้บางคนอาจจะเห็นแล้วก็ได้แต่ไม่รู้จักเหมือนกับไก่ไก่มันเห็นเพชรเห็นพลอยมันนึกว่าเพชพรพลอยนะ่ไม่มีค่าสู้ข้าเปลือกเม็ดนึงก็ไม่ได้ มันก็คุยเกีย่ยเลยไปเราก็เหมือนกันเรามีเพชรพออยู่ในมือแล้วทางวัชรยานทางลามะเนี่ยเขาจับประเด็นนี้โอมณีปัตตมีโฮมโมณีปัตมีโหมเนี่ ย, oh, i, เ, ย, oh, i, เ, ยเรามีเพชมณีอยู่ในมือแล้วนึหัวใจของเจ้าแม่โคนิม โอมาณิเป oh oh no ็มิหุมโอมาณิเปมิหุมมีกูใจ่ม่ว่าอะไรแปลแปลว่าอะไรแปลว่าเราทุกคนเนี่ยมีเพชรมณีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักเท่านั้นเองเราก็เลยไม่สามารถที่จะนำปัญญาที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ปัญหาต่างๆก็เกิดกับเรามากมาย แม้เราจะเรียนรู้จบศาสตร์ต่างๆมากมายความรู้เหล่านั้นเป็นเพียงข้อมูลมเป็นเพียงข้อมูลของความคิดคนที่เรียนรู้มากมีความรู้มากก็คิดคิดได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความรู้นี่คือปัญญาระดับเหตุผลเหตุผลดีกว่าวิเคราะห์ได้ดีกว่า คนที่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงข้อมูลของความคิดในระดับเหตุผลที่เรียกว่าอินตามยะปัญญาปัญญาระดับความคิดเหตุผลคิดดียังไงก็ไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงหญ่เพราะฉะนั้นปัญญาระดับความรู้ปัญญาระดับความคิด ในเชิงตักกะหรือเหตุผลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เรารู้จักกับความจริงของชีวิตเลยเพราะเราไม่รู้จักความจริงของชีวิตนี่แหละเราก็เอาสิ่งเทียม ม, มาบริหารจัดการชีวิตเราชีวิตเราก็มีปัญหา เราไมา่รู้จักความจริงยมฟังธรรมะกันมาเยอะแยะแล้วเนี่ยเคยเห็นความจริงกันบ้างไหมรู้จักไหมความจริงเคยเห็นนะถ้าเราใช้เพียงสองตาด้วยประสาทสัมผัสเนี่ยเราเห็นความจริงไม่ได้แต่ถ้าเรามีดวงตาขึ้นมาอีกดวงนี้ เขาเรียกธรรมจักสูตดวงตาปันเนี้ยดวงตาที่สามเนี่ยเขาเรียกตาปัญญาถ้าตาปัญญาตัวนี้ขื่นเนี่ยโยมจะเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงเข้าใจสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานี้ตามความเป็นจริงเมื่อเราเข้าใจความจริงได้ความยึดถือต่างๆ ในมิติจิตสามัญจำนึกเหมือนก็ลดละปล่อยวางจิตของเราก็ไม่ถูกอารมณ์ครอบงำจิตข้างเราก็ไม่ไปผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตเ้างอก็เป็นอิสระทายังไงเราจะทําให้จิตของเราเป็นอิสระอยากอิทธิพลของอารมณ์ต่างๆที่มันเข้ามาทางตาทางหูทางจมกูกทางนิ้นทางกาย มันมีอิทธิพลลากจูงจิตเก่าเขา้เขาไปร่วมกับมันอยู่ตลอดเวลาทำายังไงจิตเราจะเป็นอิสระไม่มีวิธีอื่นเลยโยมนอกจากเราพัฒนาหรือที่เรียกว่าปฏิบัติหรือภาวนาทำให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งปัญญาตัวนี้จะอย่างรู้ความจริงถ้าใช้กับพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าตรัสรู้ ถ้าใช้อย่างกับคนเราธรรมดานี่เขเรียกว่าประจักษ์จกแจ้งความจริงได้ดวงตาเห็นธรรมประจักษ์แจ้งความจริงซาโตลิเข้าถึงสาโตลิหรือยังวะเห็นไลท์เต้นเข้าถึงเอ็นไลท์เต้นเข้าถึงประสบการณ์ตรงต่อความจริงเพราะธรรมะของผู้เจ้าแปดหมืสี่พันมัจจมัขันเนี่ย จุดมุ่งหมายของพระองค์ก็เพื่อต้องการให้เราเข้าถึงประสบการณ์ตรงต่อความจริงต้องการให้เราเข้าถึงประสบการณ์ตรงต่อความจริงทีนี้การดําเนินชีวิตในวิปปัจําวันของเราเนี่ยเราดําเนินชีวิตด้วยปัญญาเพียงความรู้กับความคิดเหตุผลความรู้ความคิดสร้างความมุศก็ไมีตัวเราหรอกนะตา เราดำเนินชีวิตอยู่ในมิติของจิตสามัญเสมที่มีตัวตนหรือตัวกูฉันมีตัวเราเป็นศูนย์กลางของการรับรู้อย่างแบ่งแยกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมีสิ่งนี้ถูกรู้มีผู้รู้รูปนามมีรูปมีนามขึ้นมาเนี่ยเราดำเนินชีวิตอย่างนี้ มีความรู้สึกมีตัวเราเป็นศูนย์กลางอันเนื่องมาจากเราไม่มีปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริง oh. เรียกว่าอาวิชาเอาวิชาคือไม่มีปัญญาอย่างรู้ความจริงปัญญาอย่างรู้ความจริงเนี่ยมีชื่อเยอะแยะบางทีเขาก็เรียกว่ายานทัศนะ์ปัญญาญานปรีชายาน ยานต่างๆเนี่ยโยมในอภิธรรมก็แบ่งไว้ถึงสิบหกคันยานตัวนี้ไม่ได้มาจากความรู้ไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากใจมาจากใจหลวงพ่อใช้คำว่าใจโยมรู้จักใจไหมหลวงปู่ ม, มั่นบอกว่าถ้าได้ใจได้ธรรม เห็นใจเห็นธรรมรู้ใจรู้ธรรมถึงใจถึงธรรมถึงใจถึงพระนิพพานใจคืออะไรคนไทยเราชอบพูดจิตใจภาษาบาลีไม่มีใจมีแต่จิตจิตในขันห้าก็คือ จกักรวิญญาณชัตตาวิญญาณคณะวิญญาณกายวิญญาณิวหาวิญญาณมโนวิญญาณก็คือประสาทที่เรารับรู้ทางตาทางหูทางจมกูกเนี่ยเขาเรียกจิตวิญญาณจิตจิตตัวเนี้ยมันไม่เป็นอิสระเลยถ้าเราดำเนินชีวิตในมิติที่มีตัวเราเป็นศูนย์กลางมันจะถูกอิทธิพลของอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสิ่งที่มาสัมผัสทางกายกระทบทางกาย ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจเขาเรียกธรรมารมม์เนี่ยมันลากพาไอ้วิญญาณทางตาหูจมูกเล่นกายร่วมไปกับมันทุกทีเราไม่เคยเห็ น, นเฉยเฉยได้ยิ น, นเฉยเฉยเราไม่เคยรับรู้เฉยเฉยเลยเราไม่เราไม่เคยรับรู้ตรงตรงเลยแม้กระทั่งในครอบครัวเดียวกันเราไม่เคยเห็นพ่อเห็นแม่เห็นลูกเห็นสามีตรงตรงเลย ที่เราเห็นต่างๆคือเรื่องราวหรือเอเมอิมเมดของสิ่งที่เรารับรู้มันเป็นภาพเป็นมโนภาพของเราเท่านั้นเองที่เรารับรู้เราไม่เคยรับรู้ตรงๆถ้าเราสามารถจะรับรู้ตรงๆได้เนี่ยเราจะรู้จักความจริงเข้าถึงความจริงเหมือนกับที่พุทธเจ้าชันชีนะภายะภายะไปขอร้องพุทธเจ้าให้แสดงธรรมให้ฟังหน่อย เดินทางมาทั้งคืนเลยพุทธเจ้ากําลังจะออกบินตบาทเจ้าบอกเดียวรอ้อยกลับจากบินตบาทก่อนพายะไม่ยอมสามครั้งสามาากลาพุทธเจ้าก็เอ า, อางี้แล้วกันพายะเธอจงเห็นกับศัตดิ์ตัวว่าเห็นได้ยินกษัตริย์ตัวได้ยินเคยได้ยินไหมคำพูดประโยคเนี่ยเคยได้ยินเห็นยังไงเรลยว่าศักดิ์ตัวได้ยินยังไงเรียวกว่าศักดิ์ตัว แต่เราเอามาใช้คำว่าศัตทวะาไปในทางความหมายไม่ดีในทางรลเหมือนศัพทวาธรรมเ <c oughs> ชศักทธรรมเนี่ยแต่จริงๆศัตทวะาเห็นศักทวะายินศักทวาธรรมเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่สูงสุดในพุทธศาสนาสามารถให้เราเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงได้พยะได้ยินประโยคนี้สองสามคำพยาเธอจงเห็นศัพตวเห็นได้ยินสักทวาดยิน ภายะบรรลุธรรมขอบวชเข้าไปหาจีวพรพอดีไม่ได้บวชไปโดนงัวขิดตายซะก่อนพระเจ้าพยากรณ์ว่าพายะเนี่ยเป็นเอตทัคขะในการบรรลุธรรมที่เร็วที่สุดเร็วที่สุดเร็วกว่าท่านอัญญาคุท่าน ย, าย่ ทัญญากลท่ยายะก็รู้เร็วแต่ว่าท่านัญญากลท่ยะท่านปฏิบัติมานานจนอายุมากแล้วอยู่กับผู้พระเจ้าว่า ก, กนานหลายปีสมณะทางสุดต่งสองไม่ควรเดินให้เดินทางสายกลางธรรมจักรกับพระวันสุดท่านัญญากลท่ยายะเข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงความจริงคนเดียวแล้วก็ขอบวช สมณะทางสุดโต่งทั้งสองไม่ควรเดินให้เดินทางสายตาความสุดโตงทั้งสองก็คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ขัดแย้งก็เป็นคู่คู่เหตุผลนั่นเองปัญญาระดับเหตุผลนั่นเองสูงตำ่ำดำขาวยาวสัน้นเย็นร้อนอ่อนแข็งใกล้ไกลถูกผิดดีชั่วนี่คือปัญญาระดับเหตุผลนี่คือทางสุดโตงทั้งสองไม่ใช่ทาง มันแ่หนทางการปฏิบัติแต่ในเมืองไทยเราเวลานี้แทบทุกสำนักเลยใช้ปัญญาระดับเนี้ยพิจารณารูปพิจารณาน้ําเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันเที่ยงเห็นมันไม่เที่ยงลังคับมันก็ไม่ได้ก็เลยสรุปว่ามันไม่มีตัวตนแต่ก่อนเราเห็นว่ามีมตัวตนพอบอกว่ามันไม่เที่ยง เออบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนสรุปว่าไม่มีตัวตนมีตัวตนไม่มีตัวตนเกิดดับเพียงไม่เทียงนี่ยังเป็นปัญญาระดับความคิดในเหตุผลไม่ใช่ความจริงเราหลงว่าการพิจารณาใรลักด้วยกระบวนการความคิดที่เราลงความเห็นหรือสรุปอย่างเนี้คือความจริงไม่ใช่ ถ้าเราเห็นอย่างนี้คือความจริงเราไม่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็ใช้ปัญญาระดับนี้อยู่แล้วเห็นมันสูงเห็นมันตำ่ำเห็นมันดำเห็นมันขาวเห็นมันยาวเห็นมันสั้นใกล้ไกลใหญ่เล็กถูกผิดดีชั่วสรุปว่าประสาทตาหูจมูกลิ้นกายรู้ความจริงไม่ได้ประสาทต่างๆเนี่ยตาเราเห็นความจริงไม่ได้ หูเราได้ยินความจริงไม่ได้เราไม่สามารถจะประจักษ์แจ้งความจริงได้หรือเข้าถึงประสบการตรงต่อความจริงโดยประสาทสัมผัสได้แต่ก็ต้องอาศัยประสาทสัมผัสเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆแล้วสิ่งที่ยังรู้ความจริงมันมาจากใจ เมื่อกี้นุ่งพอเน้นคำว่าใจเพราะฉะนั้นใจกับจิตต่างกันตรงที่ว่าจิตคือสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งจิตวิญญาณสัจจวิญญาณชุตาวิญญาณมันเกิดขึ้นได้จากการกระทบของอยายทะนะภายนอกกับภายในเกิดผัสสะเกิดวิญญาณเกิดภาษาเพราะฉะนั้นวิญญาณหรือตัวรู้เนี่ยมันเกิดจากการกระทบกัน ลูกกระทบกับตาเสียงกระทบกับหูเกิดตัวรู้ขึ้นมานี่คือวิญญาณเห็นเฉยเฉยได้ยินเฉยเฉยสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินตาไม่สามารถประสาตตาไม่สามารถจะยังรู้ได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั่นคือความจริงแต่ว่าปัญญายาณ หรื อ, อยานทัศนะที่มาจากใจที่ว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวเราทีนี้แหละจะยังยังรู้สิ่งที่เราโอ้สิ่งที่เราเห็นนี่มันเป็นเค่นนั้นเองตะตาตาเค่นั้นเองมันเป็นข้างวันอย่างนั้นไม่มีการสรุปไม่มีการลงความเห็นเพราะฉันั้นใจของเราไม่มีความคิด สักเท่าเห็นสักตท่ได้ยินเนี่ยจึงจะเข้าถึงความจริงเป็นไปได้ไหมเราจะเห็นเฉยได้ยินเฉยๆเป็นไปได้ไหมเราจะเห็นสักเท่าเห็นได้ยินสักเท่าเนี่ยเราเราสัมผัสมาแล้วสิ่งเนี้ยเรามาด้คิดทุกขณะที่ประสาทสัมผัส ม, สมันรับรู้ เราไม่ได้คิดทุกครั้งที่เราเห็นที่เราได้ยินถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่มันเล่าให้เราเกิดความรู้สึกเวทนาชอบชังขึ้นมาและชอบชังก็จะเกิดไม่ได้ถ้าเรามีพลังของใจที่มันว่างใจที่ปราศ จ, จากกระบวนการความคิด ใจที่เป็นอิสระอยากอารมณ์ความคิดปรุงแต่งก็เกิดไม่ได้อะไรคือสิ่งที่จะทําให้กระบวนการความคิดมันไม่มีการปรุงแต่งถ้าใจของเรายังมีเอาวิชาคือมือเพียงปัญญาระดับความรู้ปัญญาระดับความคิด นี่เราถือว่าจิตขณะนั้นมีอวิชชาเป็นพื้นฐานไม่ใช่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็เพื่อให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งมาแทนอวิชชาถ้ามันแทนอวิชชาได้จิตมันก็ไม่ปรุงแต่งไม่ทำให้เราเกิดความรู้สึกชอบชัง ความรู้จึกชอบทางมันมาจากไหนมาจากการที่เราเอาความรู้ต่างๆที่เราจดจําไว้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยิเพราะเปรียบเทียบเสร็จเราก็สรุปสรุปนี่แหละคือความเห็นถูกผิดดีชั่วสูงต่ําน่ารักน่าชังสวยไม่สวยเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วพอใจไม่พอใจ ถ้ากิจในขณะนั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาเกิดขึ้นมันก็ปรุงแต่งเป็นสายไปจนทั้งถึงความทุกข์สายของกระบวนการความคิดเนี่ยสายนี้เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์หรือปฏิจจสมุปบาทหรือสมทุทัยอวิชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทาให้เกิดนามรูป สลายยตนาผสัสสเวสนาตนาอุปาทานเกิดพบเกิดชาติชลามรณะโสกบาลิเทวะทุกขทนะุ่มนะปุ๊ดเดีย่ยถึงความทุกข์แหละพอเราลงความเห็นเกิดความรู้สึกชอบชังติดมันก็ปรุงแต่งเป็นความโลภเป็นความโรามกรธเกิดความต้องการปัญหาเกิดแล้วเกิดความต้องการเกิดการกระทําคิดพูดทํานี่เป็นกรรม และก็มีผลถ้ากระบวนการความคิดมันเป็นไปในวิถีนี้การดำเนินชีวิตเราก็เป็นไปนตามกรรมอิเลศกรรมวิบากนี่เขาเรียกสังสาวัตรสังสาวัตของความรู้สึกว่ามีตัวเราหรืออัตตาสเสวยผลดีใจบ้างจุกบ้างทุกบ้างหัวเราะบ้างร้องไห้ ร้องไห้บ้างทุกบ้างมันขึ้นอยู่กับกระบวนการความคิดที่อยู่บนฐานของอวิชชาที่อยู่บนฐานของความรู้ฐานของความคิดในดับเหตุผลอวิชชาไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยโยมจบด็อกเตอร์ก็ยังอวิชชามีความรู้สารพัดมีความเห็นข้อสรุปดีมากเหตุผลดีมาก ก็ไม่ใช่ปัญญาที่จะเห็นความจริงเห็นวันพุทธศาสนาเราเนี่ยกว่าจะรู้ความจริงได้เนี่ยกว่าเราจะไปพ้นจิตสามัญจำนึกที่มีตัวตนไป็ศูนย์กลางเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆหลวงพ่อแสวงหามาสิบห้าปีเมื่ออายุประมาณสี่สิบสิบห้าปี หลวงพบไปสมักโนสมา น, นี้อาจารย์โนอาจารย์นี้ไม่รู้เข้าไม่ถึงสัจธรรมเข้าไม่ถึงความจริงความจริงเขาแสดงอยู่ตลอดเวลาเลยแต่กระบวนการความรู้ความคิดมันบังหมดเลยความยึดถือต่างๆ วิธีงการดำเนินชีวิตโดยพื้นฐานจิตที่มีอวิชชาหรือความรู้หรือปัญญาระดับเหตุผลนี่แหละทให้เราเกิดความยึดถือยึดถือสิ่งที่มากระทบยึดถือความเห็นของเราไอ้ น, นี่ถูกไอ้ น, นี่ผิดเนี่ยสังคมที่แบ่งเป็นสีต่างๆเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรเพราะเรายึดถือในความเห็นของเราไอ้ น, นี่ถูกไอ้ น, นี่ผิดไอ้ น, นี่ดีไอ้ น, นี่ชั่ว ทุกคนเห็นเหมือนกันก็มาโยกกลุ่มสีหนึ่งคนเห็นเหมือนกันว่าสีหนึ่งไม่ว่าสีไหนที่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ความจริงเท่านั้นเลยคนที่ยึดถือในความเห็นตัวเองไอ้ความเห็นนั้นไม่ใช่ความจริงเลยเป็นเพียงข้อสรุปที่มีที่มาจากข้อมูลเรื่องเราเท่านั้นเองยังไม่ใช่ความจริง เพรา ะ, ะนั้นการแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยเราไม่สามารถจะไปแก้ที่คนอื่นได้นอกจากทุกคนช่วยกันแก้ที่ตัวเองให้เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วความยึดถือต่างๆยึดถือในความเห็นยึดถือยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีรีตองยึดถือในความหมายภาษา ใครมาว่าเราเป็นหมูเป็นหมาเป็นไงโกรธไหมโยมโกรธตาแดงหูผึ่งมาทันทีเลยยึดถือในความหมายของภาษาใครว่าเราเป็นหมูเป็นหมาใครว่าเราเป็นเทวดาเป็นอะไรเราดีใจทั้งดีใจทั้งเสียใจทั้งพอใจไม่พอใจล้วนแต่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราัรงนั้นไม่ใช่ความจริง เพราะการเห็นเฉยๆศักตรูเห็นศักตรูดยินเนี่ยมันทําให้เราเข้าถึงความจริงเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วการลงความเห็นก็ไม่มีทํายังไงเราจะหาวิธีที่จะไปพ้นกิจสามัญจํานึกที่ดําเนินที่ดําเนินชีวิตอยู่ที่มีการรับรู้อย่างแบ่งแยกมีสิ่งนี้ถูกรู้มีผู้รู้ทํายังไงเราจะไปพ้นการรับรู้อย่าง แบ่งแยกที่มีสิ่งนี้ถูกรูก้มีผู้รู้มีรูปมีนามครูเจ้าพูดไว้เป็นวิธีที่ในเมืองไทยเราไม่ค่อยมีคนพูดหรอกน้อยมากเลยแต่ถึงพูดถึงเราก็สูตรนี้มาพูด แล้วก็ตีความหมายไปคนละอย่างสองอย่างเมื่อช้าเปิดโทรทัศน์ช่องสองร้อยสิบห้าของ psi ของพ่อท่านโพธิลักษ์พูดถึงสิ่งนี้เหมือนกันโคไม่ลกอ่อนเลีมยงย่าชำเนงลูลูกน้อยนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ใน แนวทางของการปฏิบัติในหลักของไตรสิกขาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพ่อทางบริลลัตจะให้ควมหมายว่าตัวเราปฏิบัติไปด้วยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเคยฟังอาจารย์สุจินเอาพระสูตรนี้มาพูดโคไม่ลกอ่อนเลีมยมญาชเมืองลูรุกน้อยเราปฏิบัติไปด้วย ชำเลืองดูคนอื่นเขาไปด้วยถ้าเขาปฏิบัติผิดก็ช่วยแนะนำก็แต่หลูงพ่อให้ความหมายคนละอย่างหลูงพ่อให้ความหมายว่าโคเมฆเราอ่อนเลี้ยงหญ้าชำเลืองดูลูกน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติหรือการกระทำที่เรียกว่าศึกขาหรือศึกษา มันเป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติในหลักของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาสิกขานี่คือศึกษาภาษาไทยเราเอามาใช้ว่าศึกษาศึกษาคือการเรียนรู้เรียนรู้เพื่ออะไเกิดอะไรศีล ส, สมาธิปัญญาพระเจ้าต้องการให้ให้เราเรียนรู้แล้วเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาที่จะยังรู้ความจริง เพราะงั้นการการให้ความหมายของข้อก็คือหันก็มาเรียนรู้ตัวเราหันก็มาเรียนรู้ตัวเราแล้วเราก็จะรู้จักจิตที่มันปกติอยู่เราไม่ได้โกรธใครทั้งวันเราไม่ได้รักใครทั้งวันสมัยหนึ่งพระเจ้าอยู่กษาวกุมท่านจัดว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายจิตของเราเนี่ยมันประพัฒสอนอยู่นะเคยได้ยิน ใครพูดเรื่องจิตพระพัฒนสอนน้งเยจิตของเราเนี่ยมันพระพัฒนสอนอยู่นะอุปกิเลตต่างๆมันเหมือนอาคันตุกะจรมาทําให้ใจของเราเศร้าหมองชั่วคราวพระพัฒน์สละมีทางกิตดทางพิกเวตันเจโข อ, อาคันตุกเกฮอุปกิเลสเฮฮอุปกิเลต่างไออุปกิเลตเนี่ยมันเหมือนกับ ความพอใจไม่พอใจความโรภความโกรธนี่เหมือนก็อาคันตุ ก, กะแขกมาเยี่ยมแล้วแขกเขาไม่มาอยู่บ้านเราเดี๋ยวก็เดี๋ย ว, ยวก็ไปพอไปแล้วจิตเราก็ปรพัดสอนเหมือนเดิมโยมเข้าห้องน้ำขอเคลียน์นี้ช่วยกันรักษาความสะอาดแสดงว่าส้วมนี่มันต้องสะอาดอยู่ก่อนนะ ไ, ไอชอกก็ปล่งนิ่ ม, มาดีหลังแล้วจิตของเราเนี่ยมันเป็น เราพ ส, สอนมันเป็นปกติอยู่ใครโกรธใครทั้งวันนีไหมรักใครทั้งวันมีไหมไม่มีเดี๋ยวเดียวนั่นละโยมแต่เราไม่เคยสังเกตมันความเป็นปกติของจิตนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเห็นมันที่เราจะต้องรู้จักมัน เราไปเที่ยวภูเขาเราไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวทะเลเรารู้สึกเป็นไงมีความสุขสบายใช่ไมนั่นแหละในขณะนั้นเราอยู่กับ น, น้ำทะเลอยู่กับเราไม่ได้คิดอะไรเรากับ น, น้ำทะเลเรากับป่าเราลำตกเป็นหนึ่งเดียวกันจิตเราสบายเรามีความสุขขณะนั้นจิตเราไม่ได้คิดอะไรจิตมันปกติเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเราถึงมีความสุข ขณะนั้นเราไม่มีตัวตนถ้าตัวตนถ้าตัวตนมันหายไปเมื่อใดเราจะมีความอิ่มเอือมีความสุขสดชื่นแสดงออกมาทางใบหน้าแสดงออกมาทางดวงตาเป็นไปได้ไหมเราจะรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเฉยๆยรับรู้เฉยเย คนที่ฟังหลวงพ่อพูดคนนี้อุกติตันอยู่วิปติตันอยู่บัวพ้นน้ำบัวปลิมน้ำบัวใต้น้ำหลวงพ่อหวังว่าโยมจะเป็นบัวปลิมน้ำบัวเหนือน้ำพอแสงแดดต้องแสงอาทิตย์บัวนั่นก็ บ, บานโดยธรรมชาติ จิตนี่เราจะตื่นปิดนึ่เราจะแววไว้ทำชีวิตเราให้สดใหม่ในทุกขณะที่เราเบื่อที่ทำงานเบื่อการงานเนี่ยเพราะเราดาเนินชีวิตซ้สำซากจำตีวันจันทร์ก็มาทาวันอังคารก็มานะวันพุธมาที่เดิมมนจะิตนึงเราไม่เห็นความสดใหม่ของชีวิตในแต่ละขณะเลย จิตของเราไม่ไม่เป็นกวีไม่เป็นกวีถ้าจิตของเราเป็นกวีเนี่ยจิตมันจะสดใหม่อยู่ทุกขณะชีวิตเราจะสดใหม่ล่าเริงแก่มใสแม้จะเดินท่ามกลางสายฝนก็สดชื่นชีวิตมันจริง เป็นบทกวีเขาเรียกบทกวีของชีวิตบทกวีของชีวิตก็คือชีวิตจริงๆที่ที่เราดำเนินอยู่อย่างราชจักความรู้สึกของมีตัวเราการปฏิบัติหรือการพัฒนาหรือการภาวนาก็เพื่อขจัดความรู้สึกว่ามีตัวเราที่เป็นศูนย์กลางให้มันสิ้นสุดลง 100% เรนั่นเรียกว่าพระอรหันต์ในพุทธศาสนา 75% ปซพระอนาคามีห้าสอร์ซพระสกิทาคามี 25% ตพระโสดาบันพระโสดาบันดำเนินชีวิตอยู่วันวันเนี่ยตัวตนหายไป 25% เซเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเราจะต้องรู้จักว่าสภาวะที่มันไม่มีตัวตนเนี่ยมันเป็นยังไง ต้องรู้จักตรงนี้เริ่มหนึ่งการปฏิบัติก็เริ่มหนึ่งที่ตรงนี้ถ้าเราขึ้นไปสู่วิถีทางหรือหนทางที่เรียกว่าทางสายกลางหรือศีลสมาธิปัญญาหรืออายมัคมีองแปดเนี่ยตัวตนมันจะหายไปตัวตนจะไม่มีเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือเราจะต้องหาวิธี ที่ไปพ้นจิตสามันจํานึกที่มันมีตัวตนไปศูนย์กลางทุกคนรู้ว่าโอ้ไอ้ความคิดนี่มันทำให้เกิดตัวตนความคิดทำให้เกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจวิตกกังวลกลัวมาจากความคิดอย่ากันนั้นเลยทำให้ความคิดมันมันหยุดจ้ะด้วยการบังคับมัน ให้มันไปรู้อยู่กับลมหายใจให้มันไปรู้อยู่กับเท้าซ้ายยังหนาะขวา ย, ยังหนอะให้มันไปรู้อยู่กับพุง้องยุบให้มันไปรู้อยู่กับมือที่เคลื่อนไหวให้มันไปรู้อยู่กับอะไรก็ตามบังคับมันควบคุมมันไม่ให้มันคิดที่อื่นให้มันไปรู้อยู่กับสิ่งที่เรากำหนดสิ่งที่เรา กำหนดหมายไว้ทำมากๆสงบสงบภาษาสัมผัสไม่ทำงานเลยท่านนี้สงบดิ่งเข้าไปในภวังมีความสุขจิตไม่ออกมาวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆมีความสุขแต่ปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงไม่เกิดครูเจ้าอยู่กับสองอาจารย์อลาดาระบกนิสกาตาบุต ได้ฌานได้สมาบัติ7็ดสมาบัติแปดสงบมากเวียนห้าร้อยเล่มผ่านไปใครมาดียินเสียงเกวียนเลยแม้กระนั้นพระพุทธองค์ก็มาได้ตัดจะรู้ด้วยวิชาของสองอาจารย์ความสงบอย่างนั้นไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงแต่เราก็ยังทำกันอยู่ทือวันนี้เราก็ยังทำกันเยอะ พะเจ้าเสียเวลาทำอยู่หกปนะีเรานี่ทำมาสิบหกปีแล้วยังไม่เลิกทำเลยที่เราไปกำหนดรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้มีรูปมีนามตราใดที่มันยังมีผู้รู้หรือมีอัตตาเป็นผู้เห็นผู้ได้ยิน ปัญญาที่จะยังรู้ความจริงเกิดไม่ได้มันต้องไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้เห็นสัตว์เาเห็นได้ยินสัตว์าได้ยินเนี่ยไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีผู้เห็นมีแต่เพียงการเห็ น, นเคยอ่านหนังสือของกิชนะูรติบ้างอืมกิชณะโมติเขาบอกว่า no observer, no observed ไม่มีที่สุกสังเกตไม่มีผู้สังเกต just only observation มีแต่เพียงการสังเกตสัตว์เาเหน็นนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องหาวิธีที่ไปพ้นการรับรู้อย่างแบ่งแยกที่ไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีผู้เห็น มีแต่เพียงการเห็นด้วยประสาทสัมผัสที่เป็นอิสระทำยังไงกระบวนการความคิดมันไะหยุดไปในตัวมันเองตรงนี้คือประเด็นสําคัญแต่ก่อนเราบังคับมันนะไม่ให้มันคิดให้มันไปรู้อยู่อาลมณหายใจอแต่วิธีการนั้นไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาที่จะอย่างรู้ความจรงิงโยมทำโยนตายก็แม่น้าซ้ำเราไปพิจารณานามไอ้ถึงที่สุขเห็นไอ้ผู้เห็น มันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนอีกยิ่งใช้ยิ่งใช้กระบวนการความคิดอี ก, กะบวนหนึ่งไปไล่สรบปความคิดที่ผ่านไปแล้วใช้ความคิดสแสวงหาความไม่มีตัวตนของความคิดไม่ต้องไปหามันหรอกความคิดหรือปรากฏการณ์หรือร่างกายไรเนี่ยมันเกิดจากเหตุจากปัจจัย โดยสภาวะจริงๆมันเนี่ยมันเป็นมายาอยู่แล้วที่เรียกว่าสังคตะธรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยแต่มันนี้อีกสิ่งหนึ่งโยมมันอยู่ได้แต่ตัวมันเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไปพึ่งแต่งมันไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดเป็นอมตะเคยได้ยินมั้ย เ, เรื่องอมตะธรรมหรืออสังกัตธรรมหรือนิพาน หรือนี่โลทะสิ่งนี้มีอยู่แล้วในคนเราทุกคนตอนพระเจ้าจัดสรู้ใหม่ๆท่านอุทานบอกว่าแปลกจริงเนาะสิ่งนี้มีอยู่แล้วในคนเราทุกคนเพราะนั้นความแตกต่างระหว่างคนที่รู้สิ่งนี้กับคนที่ไม่รู้สิ่งนี้ก็คือหุธะ กับปุถุชนถ้าใครรู้สิ่งนี้ก็เป็นพุท ธ, ธะถ้าใครไม่รู้ก็เป็นปุถุชนถ้าใครรู้สิ่งนี้ตัวตนมันจะหายไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่หลวงพ่อจะชี้แนะก็คือวิธีที่จะทําให้ความคิดมันหยุดไปได้วยตัวมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันไม่ต้องไปควบคุมมัน และการฝึกฝนหรือการปฏิบัติหรือการภาวนาเนี่ยสามารถจะทําได้ร่วมกับการทํางานในชีวิตประจําวันของเราพระเจ้าทรงอุปมาอุปไมยการปฏิบัติในหลักของไตรสิกขาโคไม่ลงอ่อนเลียมย่าชํเรืองดูลูกนอ้อยแม่โคป็นมีลูกเล็กๆอี่ตัวหนึง่งเล็มยมญ้าไปจำเรืองดูลูกไป มันเล็มหญ้าไปชำเลืองดูลูกไปชำเลืองเหมือนก็คนเราต้องทํางานในชีวิตประจําวันเขียนหนังสืออ่านหนังสือทําอะไรตอไนไรกวาดบ้านตูเรือนทําอะไรตอไนไรอยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับครอบครัวทํางานไปด้วยชำเลืองดูใจเราไปด้วยมีศาสตร์ไหมมีศาสตร์ไหนไหมที่สอนให้เราชำเลืองดูใจไม่มี ไม่มีศาสตร์ไหนเลยวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือไม่ว่าอะไรศาสตร์ศาสตร์ไม่มีเลยมีแต่พุทธศาสตร์นี่แหละศาสตร์นี้แหละที่จะทำให้เราเข้าถึงความเป็นพุทธะพุทธะไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าพุทธะหมายถึงผู้ที่เข้าถึงความจริงแล้วสิ่งนี้ธรรมชาติให้เรามาหมดแล้วทุกคน ทุกคนมีสิ่งนี้เหมือนกันทุกคนผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนเด้าคนแก่คนที่รู้หนังสือคนไม่รู้หนังสือต้องมีสิ่งนี้อยู่แล้วหลวงพ่อเทียนไม่รู้หนังสือสามารถเห็นสิ่งนี้ได้ท่านวยหลางของมหาญานเข้าถึงสัจจะได้ไม่รู้หนังสือเลยหลวงพ่อเทียนเขียนหนังสือไทยก็เขียนไม่ได้ท่านเป็นคนจังหวัดเลย แต่ท่านเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ได้อาศัยความรู้ที่เราจดจำมาสิ่งนี้ไม่ได้อาศัยความคิดเมื่อใดที่เราหยุดคิดเราจะเข้าถึงสิ่งนี้ยิ่งคิดยิ่งไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่เราไปบังคับให้มันหยุดนี่ตรงอีตรงนี้แหละ ตรงที่มันไม่เป็นไปตามธรรมชาติก็คือเราไปบังคับให้มันหยุดมันไม่ได้หยุดในตัวมันเองแต่โคไม่ต้องอ่อนลิ้มยาชันงังรูลนุกน้อยนมโยมมันหยุดในตัวมันเองอเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดูซิโยมนั่งตัวตรงๆนะหลวงพ่อจะไม่ใช้อุบายแต่ใช้วิธีนี่คือวิธีที่จะไปพ้นจิตสามัญจำนึกแล้วเราจะ เห็นหเฉยได้ยินเฉยๆการรับรู้มันจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่ก่อนไม่ว่าเราจะเห็นเราจะได้ยินเนี่ยส่วนมากเราจะเอาสิ่งที่เรารู้มาเปรียบเทียบแล้วให้ค่าตัดสินลงความเห็นที่ขัดแย้งกันเป็นคู่คเรียกว่าทวิภาวะเกิดจากความคิดถ้าไม่มีความคิดถ้าไม่มีความคิดมันก็ไปผลเหตุผล ภาษาตาหูจมูกนี่ก็รับรู้เฉยๆสักเท่าไเอ่สักเต่าเห็นสักเท่าได้ยินโยมถ้าเห็นได้อย่างเนี้ยเนี่ยโยมเข้าถึงความจริงแล้วนะอได้ตาดวงที่สามเนี่ยได้ธรรมจักสูรแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่โอ้ความจริงที่เราเห็นทางตาเนี่ยมันเป็นมันอย่างนั้นเองไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวชื่ออะไรไม่มี ถ้าเราเห็นเฉยๆนี่มันจะไปพ้นสมมุติบัญญัติที่เราไปตั้งชื่อให้มันเราไม่รู้วิธีที่จะเพิกถอนสมมุติเราไม่ที่เราแสวงหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงสัจจะเนี่ยเราไม่รู้วิธีที่จะเข้าถึงหนทางของการปฏิบัติของการทำงานในชีวิตประจำวันที่ไม่มีตัวตน เั้นถ้าโยมทําอย่างนี้ได้เนี่ยการทํางานในชีวิตประจําวันกับการปฏิบัติภาวนามันก็เป็นสิ่งเดียวกันโยมไม่ต้องไปหยุดงานไปอยู่วัดโน้นวัดนี้ทํางานอยู่กับบ้านนั่นแหละกวาดบ้านถูเรือนซักผ้าเห็นจิตใจเรานิ่งเฉยสวงสะอาดสงบอยู่นั่นนะอะโยมนั่งตัวตรงๆนะเมื่อตอนเด็กๆผมก็จําได้เวลาจะไปสอบอะไรตัวอะไรเนี่ยมันจะประมา่า ครูก็บอกให้หายใจยาวๆใา้ใจยาว ๆ, าวๆพอให้ใจยาวๆเนะี่ยความประมา่ามันหายไปเลยความประมา่านี่คืออะไรความประมา่าเนี่ยคือความกลัวกลัวจะทําไม่ได้มันคือความคิดถ้าเราให้ใจยาวๆเลยเนะี่ยความคิดมันจะหายไปเนี่ยไหนลองมาเราลองมาทําดูสิย้อนไปถึงตอนเด็กๆ ย่อมลงให้ใจยาวยาวให้ใจลึกๆไม่ต้องหลับตาไม่ต้องหลับตาเพราะทํางานเราทํางานในยุคประจําวันเนี่ยเราไม่ได้หลับตาทำเ อ, อ๊ะเราให้ใจเยาวยาวแล้วดูที่มันมีความคิดอะไรนะให้ใจลึกๆมี ไ, ไหมความคิด <c oughs> ไม่มีหรอกนะพอเราเห็นไม่มีความคิดยมลงสังเกตต่ตอไป ขณะที่ใจมันไม่มีความคิดมันรู้สึกเป็นไงเบาสบายรับรู้เฉยๆเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆไม่ลงความเห็นว่ามันถูกมันผิดมันสูงมันต่ามันดำมันขาวเนี่ยทําไมให้นั่นเป็นเพียงหลักการง่ายๆทตนี้ถ้าใครเห็นว่าจิตมันไม่มีความคิดในขณะที่เราให้ใจลึกๆแล้วเนี่ยต่อไปไม่ต้องเริ่มโดยการให้ใจยาวๆให้ใจลึกๆ สังเกตเลยสังเกตใจเราขณะเนี้ยยมลองสังเกตใจเราขณะเนี้ดูสิมีความคิดไหมไม่มีหรอกยมไม่เห็นมันเราความคิดมันหายไปแล้วเห็นไหมเราบังคับมันหรือเปล่าไม่ได้บังคับมันเลยเนี่ยนี่คือโคแม่ลงอ่อนเลียมยญ้าชำเรืองดูลูกน้อยเราทําอะไรตอนอะอยู่นึกขึ้นได้พอนึกขึ้นได้เนี่ยนึกขึ้นได้แล้วลึกได้คือสติ ผูุ้ชนล้วก็มีสตินึกขึ้นได้เขาของไปวางไว้ที่ไหนฮะไม่เจอเฮ้ไปวางไว้ที่ไหนวะเนี่ยนึกขึ้นได้อ๋อวางไว้อยู่นี่เองนึกขึ้นได้ตัวนี้แหละคือสติแต่สติตัวนี้สติของผูุ้ชนอะไรเนี่ยมันทํางานร่วมกับความรู้สึกก็มีตัวเราทํางานร่วมกับปัญญาระดับเหตุผลบางสานักเขาก็เน้น ให้ปฏิบัติให้มีสติตลอดเวลาเป็นไปได้ไหมสติมันจะมีตลอดเวลาเป็นไปได้ไหมไม่ได้สติมันเป็นเกณ ส, สิกธหนึ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยในขันห้ามันมันมันเกิดไม่ได้ตลอดเวลาหรอกแต่มีสิ่งหนึ่งโยมที่มันสามารถจะมีได้ตลอดเวลานั่นคือปัญญาที่มาจากสัจจะ ที่เรียกว่าอันติมัสสัจจะหรือความจริงสูงสุดหรืออสังกัตธรรมสิ่งนั้นไม่เกิดไม่ดับแล้วปัญญาที่จะยังรู้ความจริงมันมาจากสิ่งนั้นมันมาจากความว่างมันมาจากสุญญตามันมาจากอนัตตามันมาจากนิโรธามันมาจากสัจธรรมปัญญาตัวเนี้เราจะต้องพัฒนา ให้เป็นรากฐานหรือพื้นฐานของการกระทำในชีวิตประจำวันของเราการกระทำในชีวิตประจำวันเราทำอะไรบ้างคิดพูดกายกรรมมจคํามโนกรรมถ้ามันอยู่บนพื้นฐานของอวิชชาอยู่บนพื้นฐานความรู้ความคิดกระบวนการทำงานมันจะสร้างความรู้สึกมีตัวเราขึ้นมา แต่ถ้ามันอยู่บนทุนฐานการเห็นจัตจะหรือเห็นความว่างหรือเห็นกิจที่ประพัฒน์สอนของเราแล้วลวก็แม้เราจะคิดเราจะพูดจะทำจะไม่มีตัวตนนี่เพราะฉะนั้นใครที่สังเกตเห็นจิตใจที่มันว่างแล้วเรารู้สึกเบาสบายเนี่ยขณะนั้นไม่มีตัวตนละอัตตาตัวตนมันจึงเห็นเฉยได้ยินเฉยไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นพ้นชื่อพ้นบัญญัตผู้เห็นก็ไม่มี มีแต่เพียงการเห็นเพราะฉะนั้นการฝึกก็คือเดินยืนนั่งนอนทำอะไรต่ออะอยู่นึกขึ้นได้สติเกิดนึกขึ้นได้แล้วลึกได้หันมาสังเกต จ, จิตใจความคิดหายไปปัญญาที่เรียกว่ายานทัศนะหรือปรีชาญาณ intuition ปัญญาตัวนี้จะยังรู้ความจริงจะหนักรู้ความจริง พระจักแจ้งความจริงเห็นไร้เต้นขณะนั้นเราเข้าถึงประสบการณ์ตรงต่อความจริงความเข้าใจที่แท้จริงมันมาจากปัญญายาณตัวนี้มันมาจากประสบการณ์ที่เราเข้าถึงความจริงในขณะนั้นเราจะเข้าใจอย่างทราบซึ้งที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับสัจาะที่เราเข้าถึงสัจจะนี่นี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา หลวกเข้ามาบวดหลังจากที่จะศึกษามาสิบห้าปีหวงพาะยังไม่เห็นจริงนี้ไม่รู้วิธีเมืองไทยเราเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยที่ว่าเทรวาดเนี่ยเราถูกอภิธรรมครอบงำคุณแยกไม่ออกระหว่างเทรวาดกับอภิธรรมเพราะมันมีอยู่ในพระต่ายปิดก อภิธรรมเขาจะเน้นในการปฏิบัติพิจารณารูปนามไม่เที่ยงเห็นใจรักก็ลูกนามแต่เทรวาดเทรวาดพระใจปิดกมีเทวดาองค์หนึ่งไปถามผู้พรองค์ว่าพราะองค์ปฏิบัติยังไงถึงข้าโมโขฆ่าสงสารได้ถึงไม่มีความโลภความโกรธความหลงพระเจ้าเขาบอกว่าเราปฏิบัติในขณะที่เราเดินยืนนั่งนอน ยังไม่พักไม่เพียรถ้าเราพักกระจมถ้าเราเพียรกันลอยแล้วปฏิบัติในบททั้งสี่อย่างไม่พักไม่เพียรไม่ชมไม่ลอยปฏิบัติยังไงไม่พักเดินจงกรมทั้งคืนเลยนั่งสมาธิทั้งคืนเอ้าแล้วบอกไม่เพียรไม่เพียรไม่ต้องทำอะไรข้ะสูตรนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้านี่คือของเถรวาท ถ้าใครไม่เข้าใจว่าพักเพียงจมลอยเป็นเพียงมิจฉาทิฏฐิหรือความสุดต่งทั้งสองจะเข้าใจตรงนี้ไม่ได้จะเข้าใจพระสูตรนี้ไม่ได้พระสูตรนี้ต้องการจะบอกว่าพระองค์ปฏิบัติในขณะที่เดินยืนตั้งนอนด้วยจิตที่ไม่มีที่ไม่มีการลงความเห็นที่ขัดแย้งเป็นคู่ๆเลยไม่มีพักไม่มีเพียงไม่มีจมไม่มีลอยไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีกไม่มีถูกไม่มีผิด ก็คือจิตว่างนั่นเองเห็นไหมท่านยังไงจิตจะว่างด้วยตัวมันเองได้ชาเลืองดูมันเนี่ยโยมต้องชาเลืองดูมันจนเกิดความเคยชินที่จะเห็นจิตของเราเนี่ยมันว่างโดยปกติมันว่างอยู่ปกติเนี่ยจิตเราประคัสอนอยู่เนี้ยว่างอยู่เนี้ยแต่เราไม่เคยสังเกตมันนะนะโยมพราะงั้นาการปฏิบัติ ทำงานทําการในยุคประจำวันนึกขึ้นได้ตอนไหนหันมาชำระเรื่องดูจิตใจความคิดหายไปสติมันจะมาทํางานร่วมกับปัญญาที่มาจากความว่ามาจากจิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับสัจจะใหม่ๆเราเรียกว่าสัมปชัญญะคือรู้สึกตัวทั่วเพราะเห็นไหมอาตาปีสติมาสัมปชาโนมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะสติตัวนี้ ก็มาทําสติมันไม่ได้ทํางานตัวเดียวโดโดๆขึ้นมาแล้วสติมันจะต้องทํางานกับปัญญาแต่มันจะเป็นปัญญาระดับไหนถ้าปุจจุชนมันทํางานร่วมกับปัญญาระดับความรู้ระดับเหตุผลเราจะเอาสติตัวนี้ที่นึกขึ้นได้เนี่ยระลึกได้เนี่ยให้มันมาทํางานร่วมกับปัญญาที่เรียกว่าสัมปชัญชาญะที่มาจากใจที่มันว่างจากตัวตน สติสมัชัญญารู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วนึกรู้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมโยมลองไปปฏิบัติหนูนะในขณะที่ใจเราไม่มีความคิดเนี่ยขณะที่โยมชำเลืองดูจิตใจเนี่ยความคิดหายไปแล้วใจมันว่าโยมกำลังทําอะไรต่ออะไรยกมือเดินทําอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยมันจะรู้พร้อมเลยโดยที่เราไม่ต้องกําหนดเลยการรับรู้ เมื่อกิจของเราว่างจากกระบวนการความคิดที่สร้างความรู้สึก็มีตัวเราการรับรู้มันจะเปลี่ยนไปจากการรับรู้ที่มีการแบ่งแยกมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้มันจะเปลี่ยนเป็นการรับรู้อย่างไม่แบ่งแยกเราจะมีความรู้สึกว่าเรากับสิ่งต่างๆรอ บ, บตัวเราเนี่ยเป็นเอกภาพเดียวกันนี่คือนี่คือวิธีของการปฏิบัติทีเรวะ เอกายนามโควิถีของความเป็นหนึ่งเอกายนามโควิถีขความเป็นหนึ่งเนี่ยจะทําให้สัตว์เข้าถึงความบริสุทธิ์เอกโออยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาแต่คนเข้ามาแปลเอกายนามโคกันว่าทางนี้ทางเดียวเอกแปลว่าหนึ่งทางนี้ทางเดียว สติปัฏฐานสีทางนี้ทางเดียวที่จะทำให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้แต่หลวงพงแปลว่าเอกายนมโคเนี่ยคือมัคคือวิถีของของการรับรู้อย่างไม่แบ่งแยกของการรับรู้ในความเป็นเอกภาพเดียวกันแล้วกับสรรพสิ่งนี้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นวิถีของการปฏิบัติที่ไปพ้นความรู้สึกกามีตัวเราไปพ้นการรับรู้อย่างแบ่งแยกแั้เนี่ย เราจะเข้าถึงวิถีของความเป็นเอกภาพเราก็บสรบพรพสิ่งนี้เป็นหนึ่งเดียวกันตอนนี้คนเข้ามาแปลความเป็นหนึ่งในพุทธศาสนาว่าอะไรอาหารคือความเป็นหนึ่งชีวิตคือความเป็นหนึ่งแอบก็ไม่รู้ยอมจําได้ไหมที่ภาษารีบุตรถามนางคุณทนเกษีนางคุณทนเกษีเนี่ยเป็นลูกเศรษฐี ก็ไปได้กับคนจนต้องออกจากบ้านไปแต่นางเนี่ยมีปฏิพานไหวพิบฉลาดโต ว, วาทีนี่ไม่มีใครสู้ได้เลยก็ไปตั ว, วาทีกับภาษาลิบุตรนางถามปัญหาต่างๆภาษาลิบุตรตอบได้หมดภาษาลิบุตรถามว่าน้องนางเราขอถามข้อเดียวอะไรคือความเป็นหนึ่ง อะไรคือความเป็นหนึ่งนางคุณทนเกษีตอบไม่ได้ภาษาลีบุตต้องการจะรู้ว่านางคุณทนเกษีเนี่ยได้ดวงตาเห็นทำไมอย่างถ้าจิตของเราว่างขณะที่เรารับรู้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกเราก็สับสรรพสิ่งเป็นเอกภาพเดียวกันเนี่ยคือสภาวะที่เข้าถึงความจริงเนี่ยเข้าถึงมิติขึ้นความจริงเนี่ยภาษาลีบุตรต้องการรู้ว่านางคุณทนเกษีเห็นจริงนี้ยัง นางคุณทุนเกษีไม่รู้จักไม่รู้จักความเป็นหนึ่งตอนหลังเข้ามาบวชในพุทธศาสนานางกบ็บรรลปเปุเป็นเป็นพระพิจิตีที่เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักความเป็นหนึ่งด้วยประสบการณ์ของเราเองหลวงพ่อไม่สามารถจะอธิบายว่าไอ้ความเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นไงแต่เมื่อโยมสังเกตใจและความคิดมันหายไปแล้วเนี่ย ใจใหองเราว่าเราเห็นเราได้ยินเรับ้ำรู้เฉยๆเนี่ยลองสังเกตสิว่ามันมีสิ่งนี้ถูกรู้มีผู้รู้มีการแบ่งแยกไหมขณะนั้นมันต้องไม่มีเพราะสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้นี่นเกิดจากความคิดถ้าไม่มีความคิดสิ่งนี้ถูกรู้ผู้รู้หายไปเราจะมีความรู้สึกว่าเราก็สรรพสิ่งเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันโยมต้องสังเกตว่าไอ้การไม่แบ่งแยกหรือความเป็นหนึ่งเนี่ย โดยสภาวะหรือโดยอัฐะโดยสาระของมันเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือสาระของจิตเราที่เข้าถึงความจริงเขาเรียก Essence of Mind สาระของจิตหรือสาระของใจเราเนี่ยใจเะั้นจิตประพาสสอนในพุทธศาสนามาเป็นภาษาไทยก็คือใจ ถ้าจิตหมายถึงภาษาสัมผัสความคิดปรุงแต่งเนะีน่ยะคือการทำงานขันธ์อนจิตมันถูกอารมณ์ครอบงำกับใจใจกับจิตนี่คนละอย่างนะใจคือสภาวะที่ไม่มีความคิดเลยเราไปเยี่ยกว่าใจแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ใจ รือจิตก็ไม่ใช่จิตมันไม่มีชื่อหลวงพอเชื่อว่าทุกคนลองสังเกตจิตใจในโยมจะเห็นว่าใจมันว่างแล้วรู้สึกเบาสบายนี่แหละพิษมณีที่ทางมหายานวัชลระานเขาเน้นเรื่องการเข้าถึงสิ่งเนี้ยเป็นจุดเริ่มตน้นโอมณีปตัตเมหูม เรามีสิ่งนี้อยู่แล้วทุกคนมีสิ่งนี้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักมันเท่านั้นเองเพราะนั้นการขจัดความรู้สึกของตัวเราไม่ใช่ไปพิจารณาด้วยความคิดการใช้พิจารณาด้วยความคิดไม่สามารถจะขจัดความรู้สึกของตัวเราได้มีวิธีเดียวที่จะเข้าถึงสัจจะคือหันมาชำรงมันแล้วความคิดที่สร้างตัวตนหายไปแล้วก็เข้าถึงสัจจะคือความว่าง โดยไม่ทีมดไม่ต้องใช้ความคิดเลยขนาดนั้นแหละเราเรียกว่าอนัตตาอนัตตาคือสภาวะจิตที่ไปพ้นเหตุผลไปพ้นความมีอยู่และความไม่มีอยู่ถ้าเรายังไปพิจารณาหาความไม่มีแต่ก่อนมันมีตัวตนหาความไม่มียังตรงอยู่ยังเป็นกิตสามัญสำนึก ยังอยู่ในระดับทิศสามัญจำมิตแต่เมื่อเราเข้าถึงสภาวะของสัจจะคือความว่างมันอยู่เหนือแล้วลุงพู้ชายบอกว่าอยู่นอกเหตุเหนือผลแล้วเหนือเหตุผลแล้วเราไม่ต้องใช้กระบวนการความคิดเลยขณะนั้นเราเข้าถึงสภาวะของอนัตตาแล้วเพราะฉะนั้นอนัตตามันจะอยู่เหนืออัตตามีตัวตนไม่มีตัวตนคือนิรัตตานิรัตตามันคู่กับอัตตา อนัตตาอยู่เหนือนิโรธะสังตะตธรรมนิพพานสัจธรรมอมตะธรรมนี่มันอยู่เหนือแหละเพราะฉะนั้นหนทางการปฏิบัติก็คือสภาวะที่อยู่เหนือเหตุผลเหตุผลมันมีตัวตนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเดินยืนนั่งนอนทำกิจการนนพื่นถ้าเราเห็นกดนบึ้งจิตเราได้สงบนิ่งเฉย ตัวตนไม่มีเราจะทํางานด้วยความรู้สึกที่ไม่มีตัวเราไม่มีฉันกําลังซักผ้าไม่มีฉันกําลังกวาดบ้านมีแต่การกวาดบ้านการซักผ้าแค่นั้นเองเราก็สิ่งที่เราทําอยู่เป็นหนึ่งเดียวกั น, นวิถีของความเป็นหนึ่งนี่แหละคือวิถีของโพธิสัตว์สัตว์ที่เข้าถึงความเป็นโพธิคือเข้าถึงการประจักษ์แจ้งความจริง ยากไมโยมง่ายไหมคนฟังคนไม่เคยฟังหลวงพ่อบอกแหม่ยากจังหลวงพ่อส่วนมากเราจะเคยชินกับการลงความเห็นสิ่งที่เราไม่เคยแล้วก็บอกว่ายากมียากมีง่ายแต่หนทางของการปฏิบัติไปพ้นยากง่ายไปพ้นมีอยู่ไม่มีอยู่ ไม่มีไปไม่มีมาไม่มีถูกไม่มีผิดนี่คือหนทางนี่คือทางสายกลางหรือขยายฟาบิดนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาขณะที่เราเห็นจิตมันว่างนั่นแหะศีลเกิดขึ้นแล้วความเป็นปกติของจิตเกิดขึ้นแล้วเราจะพัฒนาให้สภาวะของความเป็นปกติตัวนี้มีพลังเราเรียกว่าสัมมาสมาธิ ฝึกไม่ได้สามปีสี่ปีห้าปีหกปีห้าปีไปแล้วเราถึงจะเริ่มรู้จักสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิไม่ใช่ฝึกได้สามเดือนเจ็ดวันอย่างน้นอยๆไม่ต่ำกว่าสามปีห้าปีหลวงพ่อฝึกอย่างนี้หกปีหลวงพ่อไปอยู่เมืองการตอนเย็นเช้าฝนมันตกขมพลมบินทบาตรกลับจากบินทบาตรเดินมันลื่น หลวงพ่อก็เดินอย่างระวังโดยธรรมชาติเจ้างูจนอางมันเลื้อยมาผ่านหน้าเลยแผลบลิ้นแป๊บหลวงพ่อชักเท้ากลับยืนเฉยไม่ตกใจหลวงพ่อรู้โอ้ยนี่เองคือสมาธิไม่หวั่นไหวจิตมันเฉยไม่กลัวเลยรู้จักสมาธิจากประสบการณ์เโอ้ยนี่สัมมาสมาธิมิฉาสมาธิคือ เราบังคับให้มันสงบแต่ไม่มีปัญญาสัมมาส ม, มาธิมันสงบในขณะที่เรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นคายหมย่ไม่เนี่ยโยมเราจะเห็นสัจจะหรือความว่างตรงนี้ตอนที่มันไม่มีความคิดต่อไปถ้ามันเข้าถึงความเป็นเองแล้วเนี่ยโยมเราจะคิดเราจะพูดเราจะทำอะไรอยู่กัตามเนี่ย เราจะเห็นไอ้ตัวว่างเนี่ยเป็นพื้นฐานของชีวิตเราเลยนะถ้าเราเห็นตัวนี้อยู่ถ้าเราเห็นสิ่งนี้ความรู้สึกก็ตัวเราไม่มีถ้าเราเห็นสิ่งนี้ได้ยี่ห้าเอรเซนนี่ยพระโสะดาบันลเห็นได้ห้าสิบอร์ซทุกครั้งที่เราเห็นเนี่ยตัวตนมันจะหายไปไม่มีตัวตวเนเพราะจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติก็คือโยมทำงานเหมือนเดิมไปเลย งานเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่าพอนึกขึ้นได้หันมาชำเลืองดูจิตใจใช้คําว่าชำเลืองในปฐมภรมิศใช้คําว่าชำเลืองชำเลืองต่างจากจดจ้องจดจ้องตั้งใจมีเจตนาตั้งใจชำเลืองทําอะไรตลอดอยู่ชำเลืองดูชำเลืองด้วยหางตาตั้งรู้จั ก, จกชำเลืองพอแล้ชำเลืองแล้วความคิดมันหายไปโดยธรรมชาติพอความคิดหาย การรับรู้ชนิดใหม่ชีวิตใหม่เริ่มแล้วเป็นชีวิตที่ไม่มีตัวเราเป็นศูนย์กลางเราเข้าถึงความเป็นเอกภาพของสัพสิงดังนั้นนิยามในการฝึกการปฏิบัติของหลวงพ่อจุดเริ่มต้ น, นจะต้องไปพ้นกิจสามันจำเนึกคือการรับรู้อย่างแบ่งแยกให้ได้ก่อนเพียงหันเข้ามาชำรเงืองความคิดหายไป แล้วก็เข้าถึงสิ่งนี้แล้วใหม่ๆมันหยุดเดี๋ยวเดียใหม่ๆความคิดเราจะหายไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็ไปคิดกับเรื่องเก่าๆอารมณ์เข้ามาทั้งตาคิดเรื่องทั้งตาทั้งรูปบางเสียงบังกลิ่นนะช่างมันมันเป็นปกติอยู่แล้วแต่พอนึ้ขึ้นได้โยมหันมาชำรงเมื่อเราชำรงบ่อยขึ้นจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยความคิดมันจะค่อยๆน้อยลงทุกครั้งที่ความคิดหยุดตัวรู้ที่มาจากความว่างเนี่ย มันจะทำให้เราเข้าใจเข้าใจใครเข้าใจตัวเราเข้าใจตัวเราโอ้ยตัวเรามันทำไมต้องมีแต่อารมณ์พอใจไม่พอใจมีแต่ความโลภความโกรธตอนนี้เราจะเกิดความหงุดหงิดคือไม่อยากให้มันเกิดแต่มันยังมีเหตุตัดใจอยู่มันเกิดมันเกิดก็ดีอะไรก็ตามที่เกิดกับเราเนี่ยคนปฏิบัติธรรมคนที่ทำบุญทำทานส่วนมากเวลาประสบกับ เหตุการณ์อะไรขึ้นมาทำไมบุญไม่ช่วยเราเลย <c oughs> ทำบุญมาตั้งเยอะตั้งแยะบุญไม่ช่วยเราเลย <c oughs> แต่โยมไม่รู้ละว่านั่นแหละธรรมาชาติเขาช่วยเราอยู่แต่เราคิดอย่างปุถุชนเราคิดว่าเราทำแล้วเราได้นะั่นมันจะช่วยเราไม่ใช่อารมณ์ที่เกิดมาจาเะเขตดปัจจัยนั่นแหละมันมาทดลองมันจะทําให้เราเกิดบารมี เขาจะมาทดลองเราทำให้เราเกิดความเข้าใจตัวเรามากขึ้นนี่เรามองเรามองอีกแง่นะเรามองจากแง่ลบมาเป็นแง่บวกเพรา ะ, ะนั้นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดพอใจไม่พอใจวิตกกังวลกลัวลนั่นแหละคือเรียกวัชพืชถ้าเราใช้วัชพืชไม่เป็นถ้าเราใช้เป็นวัชพืชอันนั้นจะเป็นปุ๋ยทำให้ต้นไม้เจริญงอก ง, งาม ทำให้จิตของเราก้าวหน้าเพรวัชพืชเหล่านั้นในทางการปฏิบัติก็คือการที่เราจะต้องเรียนรู้มันเข้าใจมันเผชิญหน้ากับมันดูมันแล้วเกิดความเข้าใจมันจะทําให้จิตเรายกระดับมันจะละวางสิ่งที่เกิดจักเหตุจากปัจจัยอันนั้นเพราะนั้นอารมณ์อะไรเข้ามาที่ทําให้เราร้องไห้ที่ทําให้เราเสียใจ สิ่งนั่นแหละเข้ามาทำให้เรามีบารมีมากขึ้นมีตะบะมากขึ้นแล้วจิตเราจะก้าวไปอีกระดับหนึ่งนี่คือเส้นทางสายใหม่เป็นทางสายเปลี่ยวโยมในเอ็มพีสามของหลวงพ่อไม่รู้ไม่รู้แท็กไหนหลวงพ่อใช้ทาง ทางสายเปลี่ยวยมคือฟังเพลงทางสายเปลี่ยวไหมอืมเพราะมากทางสายเปลี่ยวนี่รุ่นใหม่ๆไม่เคยฟังนี่เป็นจุดเป็นแบกกราวตอนเริ่มตน้นทางสายเปลี่ยวเราต้องเดินทางคนเดียวหนทางนี้ต้องเดินคนเดียวใครช่วยเราไม่ได้เลยผู้เจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ผู้เจ้าไม่สามารถจะช่วยพระอานนท์ ให้เข้าถึงความจริงได้เห็นไหมขนาดพุทธเจ้านะหลังจากพุทธเจ้าตายแล้วสามเดือนทำการสังกยญนาพระอานนท์ถึงได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นไหมพรุ่งนี้จะทำการสังคยญนาคืนนั้นปฏิบัติใหญ่เลยนั่งสมาธิเดินจงกรมอยากอย่าบรรลุไม่บรรลุยามหนึ่งยามสองยามสามโอ้ไมอาละ่ะ บรรลุก็ บ, บรรลุไม่บรรลุก็อย่าบรบบรลุนอนที่ว่าอืร่มตัวลงนอนชิสายังไม่ทันถึงหมอนโยมคือมันไม่มีความต้องการแนละ้วปล่อยวางได้ก็ได้ไม่ได้ก็อย่าได้ชิสาไม่ทันถึงหมอนจิตว่างเห็นไหมเข้าถึงจัตจั๋เลยเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าทํายังไงความคิดมันจะหยุดไปในตัวมันเองโยมทํายังไงความคิดมันจะหยุดไปในตัวมันเอง ทำยังไงโยมชําเรื่องดูมันแค่นั้นนียมฟังตั้งนานไม่หยหรือฟังเพลินนึกขึ้นได้ชําเรื่องดูจิตใจแล้วโยมไม่เห็นมันละความคิดเนี่ยโยมลองชําเรื่องดูสิมันไม่อยู่ให้เราเห็นหรอกเพราะนั้นประเด็นสําคัญหลวงพ่อก็คือจิตตังรักเหตตาเมธาวีหลวงพ่อถอดใจความในการปฏิบัติโดยตามรักษาจิตที่มันเป็นปกติตรงนี้เนี่ย ตามรักษาจิตที่พระพัสสอนอยู่ตรงนี้พระพัสละมิทางกิตตังตรงนี้จิตที่ว่างๆเนี่ยตามรักษาตรงนี้ไม่ใช่ไปตามดูความคิดแล้วไปสรุปว่ามันเกิดมันดับมันเที่ยงไม่เที่ยงไม่ต้องไม่ต้องใช้กระบวนการความคิดตามรักษาตามดูมันตามดูอยู่กับไอ้จิตที่มันว่างๆนี่แหละพอบรรจาร์าตักหมอบอกอยากเห็นปลาให้เฝ้ามองน้ํา ถ้าโยมอยากเห็นปลาให้มองดูที่น้ำค่อยเฝ้ามองน้ําเนี่ยไปมองอยู่บนฟ้าอยู่ไม่เห็นปลาโยมจะเห็นกระบวนการความคิดเมื่อโยมอยู่กับความว่างทุกสิ่งเกิดมาจากความว่างความว่างคือธรรมชาติที่แท้ของทุกสิ่งสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลเนี่ยปรากฏการ์ที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยเนี่ยมันมาจากความว่าง ถ้าไม่มีความว่างตัวเราก็ไม่มีปรากฏการณ์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่แท้ของเราก็คือจิตประภัสสรเองทุกสิ่งคือจิตประภสัสสรจิตประภัสสรมันเป็นหนึ่งเดียวกับสัจจสูงสุดเพรา ะ, ะนั้นใครสามารถเห็นจิตประภัสสรตัวเองได้นั่นแหละเห็นตัวตนที่แท้จริงโต้เลยนี่นี่ตัวตนที่แท้จริงเรามันเป็นอย่างนี้เอง ไอ้ตัวตนตัวกูที่มันเกิดจะความคิดนไอ้ตัวตนหลอกๆไอ้ตัวนั้นนะทำให้เราร้องไห้ทําให้เราร้องอยู่ทุกวันเนี้ยแต่ให้ตัวตนจริงๆนี่แหละจะทําให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเห็นไหมเนี่ยและโยมจะชีวิตโยมจะสดใหม่ทําชีวิตให้สดใหม่อยู่ทุกขณะ แม้เดินทำกลางสายฝนก็มีความสุขหลวงพ่อเป็นธบาดฝนตกโอ้มีความสุข <c oughs> ถ้าเราเห็นสิ่งนี้ได้นะโยมนี่คือชีวิตคือบทกวีที่ไม่ได้มีใครแต่งเลยเป็นเรื่องเป็นบทกวีของธรรมชาติชีวิตเราจะสดใหม่ทุกคณนะเนื่องจากจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยโยม การปฏิบัติถ้าไปทำตามรูปแบบโยมจะติดโยมจะติดรูปแบบโยมจะติดอุบายชีวิตจริงๆไม่มีรูปแบบมันเมื่อยเดี๋ยวโยมก็เดินเดี๋ยวอยู่หนังเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวอ่าบททั้งสีเพียงแต่โยม น, น, น, น, น, น, นึกได้ตอนไหนเอาแค่นั้นนึกได้ตอนไหนหันมาชำระลงดูใจความคิดหายไปเกิดการรับรู้ชนิดใหม่ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมันเป็นยังไง และยอมจะเกิดความเข้าใจด้วยปัญญาของเราเองเกิดความเข้าใจอย่างทราบซึ้งจากประสบการณ์ที่เราเข้าถึงความจริงพุทธศาสนาหรือพระเจ้า ต, ต้องการให้เราเข้าถึงประสบการณ์ตรงนี้ถ้าถ้าใครไม่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้ย่อมไม่มีทางที่จะทําให้จิตเป็นอิสระหรือเข้าถึงความหลุดพ้นได้เลยเป้าหมายพุทธศาสนาคือความหลุดพ้นใช่ไหมวิมุตติ เข้าถึงความหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นหรือเป็นอิสระจากความยึดถือทั้งปวงเมื่อเกิดความเข้าใจในมิติขอความจริงความยีดถือต่างๆมันก็ค่ อ, คอยๆลดไปลดน้อยไปหยายบๆละได้ด้วยจิตที่ปกติศีลศีลละกิเลสอย่างหยับๆกิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นปกติละกิเลสอย่างกลางคือนิวรต่างๆ ความฉันทะพยายามดีแมิตรต้อุตตัตกูุจจาวิจิตกิจอาความระเงยสงสัยพวกนี้พวกนี้คือกระบวนการความคิดทั้งนั้นอ่ะมันหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยโยมต่อไปเป็นเรื่องของอนุสัยต้องกํำจัดได้ด้วยปัญญาปัญญายานอนุสัยในความเคยชินที่มันฝังลากลึกอยู่ในฉันดอนฉัดนดานของเรา ละได้โยมละได้แล้วชีวิตเราจะสดใหม่พบทางสายใหม่โยมพบเส้นทางการดําเนินชีวิตใหม่นี่คือเป้าหมายของชาวพุทธละแล้วก็คือแล้วนี่คือเป้าหมายของชีวิตเราทุกคนลุงพ่อกว่าจะเห็นสิ่งนี้เมื่ออายุห้าสิบห้าโยมแต่ก่อนลุงพ่อกินเหล้าเมายาเป็นอาหารที่ยวดีมันไม่ตายไปซะก่อนยังอยู่รอดมาได้ ยังอยู่รอดเห็นความจริงของชีวิตได้โอ้ลุงพ่อเลยไม่อยู่แล้วออกมาบวชเลยลุงพ่อลาออกจากงานตอนนั้นขมรมันกำลังเข้ามาบ้านเราที่อ ล, ลันยีประเทศเน่ยเขากี่ดังอู้เป็นแสนเลยโย่ลุงพ่อทำงานอยู่องค์การกาชาติสากลริชคอร์ดลุงพ่อลาออกวันนี้พรุ่งนี้บวชเลย วันบวชนั้นเป็นวันที่ตรงกับวันเกิดเกิดวันอาทิตย์โยมวันที่หนึ่งคดากดาวันที่หนึ่งคดากดาโกงกับวันอาทิตย์โยมมันไม่เคยมันไม่ตรงกันหรอกปีปีนี่โยมสังเกิตไม่วันเกิดทังโยมเนี่ยมันยังไม่ตรงกับวันสมมติโยมเกิดวันอาทิตย์เนี่ยวันที่หนึ่งไม่มีอีกไม่กี่ปีไม่รู้กี่ปีเลยมันจะตรงกันปีอ้วันนี้วันดีของเราลาหลวงพบวชเลย มีโยมแม่บ้านลูกสองคนหลวงพ่อไปบวดหางหน้าเ <c oughs> ขาเบื่อกันหลวงพ่อบวดหางหน้าแต่นั่นนะ่ะหลังจากหลวงพ่อแสวงหาอาจารย์มาตั้งสิบห้าปีหนะลวงพ่อก็ไม่รู้แนละ้วเพราะตอนบ่ายๆหลวงพ่อเดินๆอยู่วันที่สิบเอ็ดจำได้แม่นเลยจดไว้ในปฏิพินใจเลยว่าตอนบ่ายๆเดินๆไม่ได้ไม่ได้กําลังปฏิบัตินะไม่ได้กําลังเดินจงกรมหรือทําอะไรนะ เดินเดินอยู่ให้ทําไมวันนี้มันไม่มีความคิดเลยฮะแล้วมันรู้พร้อมทําอะไรตอนอะไรก็รู้ไปหมดเลยเดินทํายกมือเฮ้ยทําไมมันไม่มี ค, ค, ความคิดยิงสังเกตความคิดความคิดยิงไม่มีใหญ่เลยโอ้หูลวงพ่อแม่นแล้วมันรู้อ๋อไอ้นี่เองไอ้นี่คือสิ่งที่เราแสวงหาไม่รู้มันเรียกว่าอะไรละ่ะแต่คือสิ่งที่เราไม่เคยพบเลยอชั่วโมงกว่า ลุงพ่อน้ำตาไหลเลยไหมปิติดีใจโอ้เจอแล้วไม่มายัางไงก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้สาเหตุมันมาอย่างไงตอนหลังพอความคิดมันเข้ามาเหมือนปกติลุงพ่อก็อยากให้มันมาแต่นี้ไม่มาเลยทายัางไงก็ไม่มานั่งสมาธิเดินจูงกมยังไ้ก็ไม่มาโอ้ตอนหลังลุงพ่อเปิดพระไตรปิฎกเดี๋นี้มันง่ายต่อการค้นหาพระไตรปิฎกลุงพ่อมาเจอวิธีนี่เนะี่ หลักการปฏิบัติหญ้าปากคอกแท้ๆใคร ๆ, ๆคก็รู้ทั้งสายกลางไตรสิกขาหรือมักมีองค์แปดนี่คือหนทางการปฏิบัติแต่หลวงพ่อลึกหลวงพอ่อรู้ลึกไปกว่านั้นว่ะพระเจ้าทรงอุปมาอุปมยการปฏิบัติในหลักของไตรสิกขาเหมือนกับโคไม่ลงอ่อนเล็มหญ้าชำเรืองดูลูกน้อยเนี่ยโยมแลหลวงพ่ออ่านหนังสือของมหายาณเขาบอกโคเนี่ยเขาเปรียบเหมือนจิตใจมึงมัวแต่ขี่โคตามหาโคอยู่นั่นแหละ คือไอ้ใจปกติของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วเที่ยวไปแสวงหาสักจิ์ที่ไหนก็ไม่รู้โอ้ไอ้พระสูตรนี้ที่พระเจ้าอุปมาแบบนี้ต้องคือให้เรามาชำระลืองดูจิตใจเราเพราะฉันมาชำระลืองดูจิตใจโยงความคิดหายไปโอ้เหมือนวันนั้นเลยโู้ดีใจเป็นครั้งที่สองคราวนี้ดีใจมากกว่าที่เรารู้วิธีที่จะทําให้ความคิดมันหยุดไปดูธรรมชาติแต่ก่อนหลวงพ่อไปสานักน้องก็กําหนด เท้ากำหนดมือกำหนดลูกแก้วกำหนดท้องกำหนดลมให้กำหนดกำหนดกำหนดและทำจริงๆนะเครียดนะเครียดทำจริงเครียดโยมก็เห็นว่าคนปฏิบัติทำแล้วเพี้ยนเนีย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละไปสร้างความรู้สึกก็มีตัวตนมากขึ้นเพี้ยนเลยไม่รู้จักธรรมชาติทงกิตเพียงเราหันมาดูวันทันวัโอ้โยมมันหายไปจริงๆนะแต่ใหม่ๆเนี่ยมันหายไปเดียวเดียว โยมต้องจินใจจริง จ, จังรู้ว่านี่แหละคือเพชรมณีอันล้ำค่าที่เราจะต้องดำเนินชีวิตเราเห็นสิ่งนี้อยู่ด้วยตัวตนจะไม่มีเราจะเข้าเราจะเข้าสู่กระแสของอริยะบุคคลโสดาติทานาคายี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยลุงพ่อไม่เคยแสวงหาอาจารย์แล้วลุงพ่อพยายามปลีกตัวอยู่องค์เดียว เห็นเพระอยู่ง์เดียวมาหลายปีไม่เค่อยชอบอยู่วัดพิธีรีตองสวดอะไรอะไรไม่ค่อยได้ให้พรบาทีหลงเล่ชัวร์เลยให้พรเอ๊พอใจมันแป้งมันว่างนึกไม่ออกเลยว่าอะไรเนี่ยกิชนะมูติเป็นชาวอินเดียพอท่านเข้าถึงสิ่งนี้ท่านกลับไปประเทศอินเดียท่านพูดภาษาอินเดียไม่ได้ ท่านเรียนหนังสือจาอะไรไม่ได้เลยสอบอะไรไม่ได้เลยกิษนมูติโยมเคยฟังเคยอ่านหนังสือท่านนะแล้หนังสือของมหายานเขาเซนเนี่ยยอมเคยอ่านมา้มั้งหที่หลวงพ่อมั่นใจว่าสิ่งนี้คือแนวทางการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อศึกษาของวัชระยานหลวงพ่อศึกษาของมหายานเซนเนี่ย ท่านวยลางก่อนที่ดันจะได้รับมอบธรรมะรับมอบบาตรมอบจี่วรจากสังฆบดีใองค์ที่ห้านี่ยอาจารย์สังฆบดีองค์ที่ห้าต้องการอยากจะรู้ว่าลูกศิษย์ที่สอนมาเนี่มันเข้าใจธรรมะได้ขนาดไหนเอาเองลงเขียนบทมาเขียนสโลกมังกรสโลกสิเขียนตามควาเข้าใจของเองเองเข้าใจได้ขนาดไหน หัวหน้าลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านสังฆมณีองค์ที่ห้าเขียนว่ากายของเราเนี่ยคือต้นโพใจคือกระจกเงาใสฉันมันเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาแล้วฝุ่นมันจะลงจับกระจกได้ยังไงเวลยลางมาอยู่ใหม่ๆไม่รู้หนังสือเลยเขียนหนังสือก็ไม่ได้ก็ช่วยให้ลูกศิษย์คนอื่นเนี่ยช่วยเขียนได้หน่อย พวกนั้นก็โหดร้ยท่านเวยลานก็จะแต่งก็เหมือนกันเลยเนี่ยอ่าจ ะ, ะเพิ่พงดูทูท่านก็เขียนว่าไม่มีต้นโพวย ม, มีกระจกแล้วฝนมันจะไปลงจับอะไรเออสังโยอุท่หี่ข้ามาเจอสลากของท่านชินสาวลูกษิษคนแรกท่านบอกว่าเธอเนี่ยเรียกลูกศิษคนนั้นเธอมาถึงธรณีประตูนานแล้ว เธอยังไม่ข้ามธรณีประตูเลยเธอยังติดกับรูปรักยังติดอยู่กับนามอยู่กับลูกนี่แหละพวกที่พิจารณานามลูกเห็นมันเที่ยงเห็นไม่เห็นมันเทียเเท่ยงเห็นมันไม่เที่ยงนี่แหละืวยรางบอกไม่มีแล้ว ต, ต้นโพกระเจ็บก็ไม่มีวยลางเข้าถึงความว่างไม่มีอะไรเลยฉนันก็มายกมาเห็นฉลบทนี้ทา่านก็เลยเรียกมาตอนยามสามหมอด บ, บาทหมอดพีวอน ให้สืบทอดเป็นสังคมณีองค์ที่หกต่อไปเห็นไหมหลวงพ่อก็เลยมั่นใจว่าจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าชี้หนทางคือทางสายกลางหรือหลักของไตรสิกขาหรืออริมัควีองแปรหรือแม้กระทั่งโพธิปักขิยธรรมสามสิบเจดประการที่เริ่มโดยสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันจะต้องไม่มีความรู้สึกของมีตัวตนจะ ต, ต้องไปพ้น จะต้องไปพ้นมิติของกิจสามันจํานึ่งที่มีเหตุผลแล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าถึงมิติที่ไปพ้นเหตุผลได้อย่างไรจิตประพระสอนของเรานี่แหละคือประตูคือเรียกทำรรธรรมยานคือประตูที่จะทําให้เกิดปัญญายาณตัวหนักรู้หรืออย่างรู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เห็นจิตประพระสอนตัวเองจิต หลวงพ่อเขียนหนังสือไว้เรียกว่าหลวงพ่อเรียกว่าถ้าเรียกจิตว่างท่านอาจารย์ผู้ทัานพูดว่าจิตว่างก็มีคนวิชาท่านบอกมันจะว่างได้ไงตาก็เห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยจิตมันชั่วว่างได้หลวงพ่อก็เลยใช้คำว่าจิตก่อนการคิดเนี่ยก่อนการคิดมันเป็นไงนั่นแหละตอนที่มันยังไม่คิดเ น, นั่นแหละหลวงพ่อใช้เขียนหนังสือ หล่งพ่อเหียนหนังสิอและอมารินเข้าไปพิมพ์สองเล่มทางสายกลางสู่อิจฉภาพแห่งชีวิตกับนิพพานได้ในทุกขณะนิพพานได้ในทุกขณะขณะที่เราขณะที่มันไม่มีตัวตนเนี่ยเนี่ยเราเข้าถึงนิพพานเนีวยแต่แค่นาทีสองนาทีถ้าเราเข้าถึงสิ่งนี้ได้ยี่สิ้าอร์เซ็นในดาบันแล้ว สภาวะจิตที่ไม่มีตัวตนนั่นเองคือสภาวะที่เรียกวั น, นิพานไม่มีปัญหาถ้าเข้าถึงสภาวะนี้ได้ความพอใจไม่พอใจความโลภความโกรธความหลงไม่มีเหลือเลยจะทําให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขเข้าถึงชีวิตที่สมบูรณ์เข้าถึงชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตบูรณาการ หรือการดำเนินชีวิตทแท้จริงสิ่งนี้มีอยู่แล้วในคนเราทุกคนพระเจ้บาบอกว่าสิ่งนี้เพิ่งมีอยู่แล้วแต่คนไม่รู้จักเท่านั้นเองเราหลงอยู่ในโลกของเหตุผลหลงอยู่ในโลกของความรู้เราไปพน้นเราวางความรู้ไม่ได้เราละความเห็นแต่ข้อสรุปของเราไม่ได้ มันไม่มีวิธีไหนเลยที่จะเราจะละวางความรู้หรือความเห็นนอกจากเราเข้าถึงสัจจะคือความว่างไม่มีวิธีไหนเลยการละวางความเห็นไม่ใช่เป็นละวางได้ด้วยความคิดเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันเที่ยงเห็นมันไม่เที่ยงสรุปว่ามันไม่มีไม่ใช่แม้มันไม่มีก็ยังตรงข้ามกับมีเห็นไหนี่เราไม่เข้าใจ เัตราบใดที่เรายังไม่สามารถจะไปพ้นกิจฉามันจมเนึกเราจะเข้าถึงสัจจะหรือความจริงไม่ได้เลยให้โยมปฏิบัติตนตายโยมก็ไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงได้ตราบใดที่โยมยังใช้ความคิดโยมเข้าถึงความจริงไม่ได้โยมจะต้องหยุดกระบวนการความคิดแต่นี่การหยุดไม่ใช่หยุดด้วยการบังคับหรือควบคุมมัน แต่ต้องให้มันหยุดโดยธรรมชาติของมันไม่มีวิธีไหนเลยนอกจากชำเลืองดูมันแค่นั้นโคเมนองอ่อนเล็มหญ้าชำเลืองลูกลูกน้อยนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเราเองนะเนี่ยนี่มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองย้ไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองดูพระเจ้าทรงอุปมาอุปมาโคคนจะไม่เข้าใจอุปมาอุปไมเหมือนโคแมนองอ่อนเลีมหญ้าชำเลืองลูก ล, ก, ลกน้อย พอเราได้ยินพระสูตรว่าอย่างนี้พระใจไปดกว่าอย่างนี้เราก็มาแปลตีความหมายกันไปคนละอย่างสองอย่างพุทธพจน์ก็เหมือนกันเพราะเรายังไม่เห็นความจริงนี้เราจําได้จากความรู้จากความจําแล้วเเราเข้าถึงความจรงิงส่วนพระเจ้าท่านเข้าถึงความจริงแล้วท่านถึงมาใช้ภาษาเราตายไปจากภาษาความรู้เข้าถึงความจรงิงเพราะนั้นมันก็ ให้ความหมายว่าคนละอย่างสองอย่างอาจารย์จุจินบอกว่าประัไปด้วยชเืเมืองดูคนอื่นไปด้วยถ้าถ้าเขาปฏิบัติผิดก็ช่วยกขหน่อยพอท่านโพธิลักษ์บอกสังเกตใจเราไปด้วยดูคนอื่นไปด้วยเขามีสองคนแหละที่มีความเห็นเหมือนกันมลวงพ่อสำรวจตัวเองนะ เห้ย hey, ทำไมเราเห็นต่างจากคนอื่นแล้วลงสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าเราต้องเข้าถึงความจริงแล้วเราจะเข้าใจด้วยตัวเองเราไปชมเลืองดูคนอื่นเนี่ยศีลมันจะเกิดไหมความเป็นปกติมันจะเกิดไหมไม่ยิ่งไปวิาพากษ์วิจารณ์ยิ่งยิ่งถูกยิ่งผิดแต่ถ้าหันมาชมเลืองตัวเราอ่ะความคิดหายไปเนี่ย หันมาชำเลืองดูจิตใจความคิดหายไปเนี่ยเราจะเห็นโอ้ไอ้นี่คือศีลสมาธิปัญญาโยมปฏิบัติไปสักพักสามปีห้าปีโยมจะรู้ว่าไอ้สัมมาสมาธินี่เป็นไงสงบในขณะที่เราเห็นได้ยินอะไรท่าไรเนี่ยรับรู้อยู่ไม่ใช่ไปสงบในผวังเมื่อจิตสงบจากความรู้สึกมีตัวเรามันจะมีปัญญาญาณ อย่างรู้สิ่งต่างนโอ้ทุกสิ่งนี่มันเป็นข้ามบนอย่างนี้เองฮะไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีสูงไม่มีตม่ำไม่มีดำไม่มีขาวเช่นนั้นเองตาตานีตยอาจารย์วุฒิธรรมบอกตาตาตาเคยได้ยินไหมเช่นนั้นเองเราก็ไปจําว่าโอ้อาจารย์ว่าเช่นนั้นเองทุกสิ่งมันเป็นเช่นนั้นเองแต่เราไม่ได้รู้ผ่านใจของเราเองเราจะปรจักษกแจ้งความจริงในความเป็นเช่นนั้นเองได้ต้องผ่านใจที่มันว่าง จากความคิดในขณะที่ใจไม่มีความคิดเนี่ยโยมลองโอ้ทุกสิ่งที่เราเห็นทุกสิ่งที่เราได้ยินนี่มันไม่มีทวิภาวะไม่มีของคู่ๆเลยไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีําไม่มีขาวไม่มียาวไม่กัเราก็เลยเขาโอ้ไอ้ปัญญาระดับเหตุผลถูกผิดดีชัวนี่มันไม่ใช่ความจริงสังคมที่มันเกิดการแบ่งแยกเพราะเราอาศัยเพียงปัญญาระดับเหตุผลของ้าถูกของเอ็นผิด ไม่มีใครบอกของข้าผิดตังเองถูกใช่ไม่มสังคมที่กัดแยงทุกวันเนี้ยเพราั้นถ้าเราเห็นตรงนี้นี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะโยมนี่คือจุดเริ่มต้ น, นะ น, ป น, ตนไปพ้นมิติจิตสามัญจำนึกที่มีตรมัราเปศูนย์กลางเข้าถึงมิติของความจริงเราจะเห็นสิ่งต่างๆโอ้ทุกสิ่งนี้มันเป็นเช่ น, นั้นเองแต่าตาตา ภาษาตาไม่สามารถจะเห็นความจริงได้หูไม่สามารถจะยังรู้ความจริงได้ไอตัวที่ยังรู้ความจริงเนี่ยคือปัญญาที่มาจากใจที่มันว่างเขาเรียกว่ายานยานทัษนะปัญญายานไม่ใช่ยานตรงเตงนะยานยานตัวนี้คือการยังรู้ตันักรู้ เมื่อใดก็ตามถ้าใจของเราว่างจากกระบวนการความคิดเนยโยมการยั่งรู้การตระหนักรู้เกิดขึ้นแล้วการยั่งรู้เนี่ยมันจะไม่ลงความเห็นที่ขัดแยง้งเป็นคู่คู่ไม่มีสูงไม่มีตำ่ำไม่มีดำไม่มีขาวไม่มีถูกมันไปพ้นละไปพ้นเหตุผลตาเห็นเฉยๆตานี่รู้ความจริงไม่ได้หูนี่ได้ยินความจริงไม่ได้ประสาท ต, ต่างๆนี่ มันเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยสิ่งที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยจะไปรู้ความจริงที่เรียกว่าสกเธรรมไม่ได้จะไปรู้อมตะธรรมธรรมที่ดำรงอยู่เป็นอมตะไม่ได้มีแต่ธรรมชาติรู้ที่เกิดจากใจที่ว่างจากตัวตนเท่านั้นเอิงจะอย่างรู้รู้ที่เรียกว่าจัตจรู้เย็นไล่เต็นที่พระเจ้าจัตจรู้ความจริงเนี่ย มันมาจากใจที่มันว่าจะหนักรู้โอ้สิ่งต่างๆมันเป็นเช่นนั้นเองตาตาตาถ้ารู้ด้วยความคิดเป็นไงสูงต่ำดำขาวยาวสั้นถูกผิดดีชั่วเกิดดับมีไม่ ม, มีเนี่ยเราดำเนินชีวิตอยู่ในมิติของกิจสามัญํำนึกที่เราใช้เพียงปัญญาระดับตักกะหรือเหตุผลเหตุผลไม่ใช่ความจริงแต่โยมอยาเข้าใจว่าเหตุ ในพุทธศาสน า, ามีเหตุผลเหตุผลนี่มาดีแยกยกกันแต่ถ้าเป็นเหตุผลอันนี้แยกย ก, กันเพราะฉะนั้แนวทางของการปฏิบัติในขณะที่โยมเดินยืนนั่งนอนทําอะไรต่ออะไรอยู่กวาดบ้านถูเรือนหุงข้าวหุงปลาอ่านหนังสือหาทำอะไร น, น, ไนึกขึ้นได้นึกขึ้นได้เนี่ยอะไรสติ สตินึกขึ้นได้เพราะนึกขึ้นได้เราก็หันมาชำเลืองดูจิตใจแล้วความคิดมันจะหายไปทันทีโยไม่เห็นมันแล้วความคิดเนี่ยความคิดหายไปธรรมชาติรู้ชนิดใหม่ที่เรียกว่าญาณยานทัศนะปัญญาญาณไอตัวนี้จะยังรู้สิ่งต่างๆตามที่เราเห็นตามที่เราโอ้สิ่งต่างๆที่เราเห็นนี่มันเป็นเช่นนั้นเองไม่มีสูงไม่มีตม่ำไม่มีดำไม่มีขาวไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีถูกไม่มีผิด ทั้งหูเช่นนั้นเองเห็นความเป็นเช่นนั้นเองสิ่งต่างๆด้วยปัญญายานเพราะนั้นการปฏิบัติก็เพื่อให้เกิดปัญญายานตัวเนี้ยังรู้ตรหนักรู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นแล้วมันก็จะละวางความยึดถือต่างๆที่เราสำคัญมั่นหมายไว้ค่อยๆละวางอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดดยศีลสมาธิปัญญา ศีลละวางกิเลสย่างหยับหยาคิดแสดงมาทางกายวาจาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตที่มันว่างละวางนิวรณ์ห้าความฉันตะปัยาบาตีนัมิตะทัตจกักกุจจะวิชิกิจาเราไม่รู้ตัวเราว่ามันวางเมื่ อ, อไหร่แต่เมื่อเฮ้ยชะม่ยใจเรามัมีความคิดเลยเนี่อืมนิวรณ์ห้าไม่มีแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญายานหรื อ, อยานทัศนะมันจะอย่างรู้สิ่งต่างๆโอ้ ทุกสิ่งนี้มันเป็นมันเช่นั้นเองไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วเช่นั้นเองแต่ต่างเคยอ่านหนังสือต่างอาจพุทธทาสบ้างไหมเนี่ยทุกสิ่งเป็นตถตาทุกสิ่งมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีสูงไม่มีต่ำเนี่ยเราต้องเข้าถึงมิติของความจริงที่ไปพ้นปัญญาระดับความรู้ปัญญาระดับเหตุผล นี่คือการบำเพ็ญภาวนาหรือการปฏิบัติภาวนาร่วมกับการงานในชีวิตประจาวันการงานกับการปฏิบัติไม่ใช่สองสิ่งที่แยกจากกันไปนั่งสมาธิวัดโนนวัดนี้สามวันสามคืนกลับมาบ้านก็นยังโมโหเหมือนเดิมไม่ใช่ไอ้เราไปกดข่มความคิดไม่ให้มันคิดไม่ใช่การปฏิบัติภาวนาก็คือการทํางานในชีวิตประจําวันนี่แหละ แต่ทำงานอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีตัวเราเป็นผู้ทำยงเข้าใจไหมตัวเราเกิดจากอะไรฉันกูผมเกิดจากความคิดถ้าไม่มีความคิดล่ะขาะนั้นไม่มีตัวฉันไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนเนี่ยทำยังไงเลวจะเดินยืนนัง่งนอนด้วยจิตใจที่มันว่า เดินก็ทําได้ยืนก็ทําได้นั่งก็ทําได้นอนก็ทําได้กวาดบ้านผูเรือนเพราะฉะนั้นการงานในชีวิตประจําวันกับการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่หยุดงานไปนั่งสมาธิสามวันเจ็ดวันกลับบ้านก็ยังโมโหเหมือนเดิม ไม่โคล่ไม่โคลเลียญ้าชำเลืองลูกน้อยไม่โคลเลี้ยงหู้าชำเลืองลูกลูกน้อย การงานที่เรากําลังทําในชีวิตประจําวันก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าเราทําในลักษณะนี้นะโยมการงานในชีวิตประจําวันนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่สองสิ่งที่แยกจากการที่เราหยุดงานแล้วไปปฏิบัติธรรมอ่าใช่ครูไม่รู้อก่เอนเลี้ยงญาติชำเลืองดูลูกน้อยเนี่ยไม่ใช่ไปชําลืองดูคนอื่นอ่าใช่ ใช่ชำเรืองดูลราชำเรืองดูตัวเราเนี่ยชำเรืองดูจิตใจแต่ไม่ใช่ไปตามดูความคิดถ้าเราดูเข้ามาเนี่ยความคิดมันจะหายไปโดยธรรมชาติทั้งหมเราจะไม่เห็นมันละความคิดส่วนมากเราไปตามดูความคิดแล้วไปสรุปว่ามันเกิดมันดับมันเที่ยงมันไม่เที่ยง แต่พอความคิดมันหายพอเราสำรวจดูสังเกตมัแล้วความคิดหายไปแล้วยอมเห็นอะไรเห็นสภาวะจิตที่มันว่างจิตที่ว่างๆนั่นแหละคือสัจจะสูงสุดนั่นแหละจิตเดิมแทง้งเรานั่นแหละที่เขาเรียกว่าจิตประพัชฌอนพระเจ้าอยู่กับพิจุกลุ่มหนึ่งท่านตรัสว่าประพัชละมิทางจิตตังพิกเวีอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิเลเิตัง ด้วยคพิสูจทั้งหลายจิตทังเราเนี่ยมันพรเขศอยู่นะจิตที่วรเขศก็คือจิตที่มันยังไม่ได้คิดอะไรไอ้อุปกิเลสเนี่ยการปรุงแต่งเนี่ยเหมันเหมือนอาคารตุกะจรมาเดี๋ยวก็ทําให้ใจเราเศร้าหมองชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันไม่ได้อยู่นานแล้วเพราะฉะนั้นการหันเข้ามาสังเกตจิตใจเนี่ยความคิดมันหายไปเราจะเห็นอะไรเห็นจิตพระเขศมาหายายเขาเรียกจิตพุทธะ จิตหนึ่งจิตเดิมแท้การัดแิวันเนี้ยบริษัทเราู่บอกว่าจะยุบแผนร้อยกว่าคนแลเราจะการแบใจเราเราก็เกิดความกลัวจะตกงานใช่อืมนีกังวลใช่เกิดความกลัวเมื่อมันมีตัวตน ถ้ามันมีตัวตนนี่มันจะกลัวถ้าเราสามารถจะดูในขณะในขณะจิตที่มันมีความกลัวนั้นได้พอความคิดหายไปความกลัวก็หายตัวตนก็หายปัญญาเกิดว่าเราจะจัดการกับการงานต่อไปอย่างไรถ้าเขายุบนี่มันจะมีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลรูล้จักตนรู้จักประมาณการบริษัทบุคคลเมื่อจิตเราว่างจากจากความรู้สึกของมีตัวเราเนี่ย มันจะมีปัญญาก็เรียกว่าปัญญาของสัตตบุรุษรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณการบริษัทบุคคลรู้จักหมู่กลุ่มรู้จักตัวเองปัญญาตัวนี้แล้วมันจะจัดการกับปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่แต่ส่วนมากเราใช้เพียงปัญญาระดับเหตุผลที่มีที่มีตัวตนเมื่อมันมีตัวตนมันก็มีความกลัวเป็นพื้นฐานจิตใจ เราไม่ได้ใช้ปัญญาที่เรียกว่าปัญญาญาณหรือการอย่างรู้เลยเราไม่ได้ใช้ปัญญาตรนนี้พอเราเกิดความกลัวกลัวจะตกงานกลัวจะอะไรต่ออะไรนี่เป็นเรื่องของตัวตนเหมืง น, นั้นเลยแล้วเราก็แก้ปัญหาด้วยปัญญาระดับเหตุผลดีไม่ดีถูกผิดดีช่วยเราไม่เคยแก้ปัญหาด้วยปัญญาที่อย่างรู้ความจริง แล้วไม่รู้ความจริงเลยเออตกงานก็ดีให้จะได้สบายอื ม, อ ม, อ ม, มีใครคิดอย่างนี้บ้างไหมไม่มีเลยมีแต่ทุกคนกลัวตกงา น, นเงี้ยนี่หลวงพ่อว่ตกงานนี่เ น, นี่ยเวลาหลวงพ่อไม่มีงานทําเลยวันวันรู้ว่าไม่ได้ทํางานอะไรเลยการไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคือการกระทําที่ยิ่งใหญ่การกระทําที่ยิ่งใหญ่ หลวพ่ออยู่ในสวนมะม่วงสิบเจ็ดไร่ลวงพ่ออยู่องค์เดียวนะหลวพ่อไม่ได้ทำอะไรทั้งวันไม่ได้ทำอะไรหลวพ่อเพียงทำายอยู่ก า, การศึกษาเรียนรู้ที่เรียกว่าตรสิทธิ์ขาการเรียนรู้ตัวเองอยู่ตรงเนี้ย ลุงพ่อไม่ไปงานพิธีรีตองไม่ไปอะไรต่ออะไรลุงพ่อออกมาทํางานเพียงชื่วที่โดนบางที่ที่มีบา ง, น, บางนิดๆหน่นนอยๆลุงพ่ออยู่ไม่มีในสวนมะม่วงอยู่ลำลูกกาของที่ิบสองุงพ่อเพียรอยู่ในทุกขณะ ท, ที่นึกขึ้นได้เพียรในทุกขณะ ท, ที่นึกขึ้นได้อยู่กับจิตเดิม สารีบุตรเธอดำรงจิตยู่อะไรขนาด น, นี้ยข้าพระ อ, องค์ดำรงจิตอยู่กับจุญญนตาวิหารพระเจ้าค่ะเออถูกแล้วถูกแล้วสารีบุตรแม่เราก็ดำรงจิตอยู่ในสุญญาตาวิหารดำรงจิตอยู่ในความว่างว่างจากความรู้สึกของมีตัวเราถ้าเราสังเกต จ, จิตใจความคิดหายไปแม้มันจะคิดจะพูดจะทําในขณะนั้นถ้าเราเห็นกนบึงใจเราในว่างเห็นสัจจะเห็นสุญญาตาอยู่เนี่ย ความรู้สึกตัวเราไม่มีแล้วมันจะเกิดปัญญาโยมพอโยมรู้ว่ามันจะตกงานโยมก็เหื่อนวิตกกลัวใช่ไหมเนี่ยเป็นพื้นฐานของคนที่มีอัตตาตัวตนมีความกลัวเป็นพื้นฐานปัญญาที่จะแก้ปัญหาของชีวิตไม่เกิดเลยถ้าสิ่งเหล่านี้มันครอบงำจิต ใ, ใจแล้วถ้าใจเราว่างเนี่ยโยมโยมสังเกตใจแล้วใจมันว่าง ก็เดี๋ยปัญญามันจะผุดขึ้นมาจากความว่างในโยมเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรจากจิตที่มันว่างนี่แหละพอไอ้ปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยโยมรีบจดเลยนะจดไว้เลยจดติ๊กติ๊ ก, กถ้าโยมไม่จดนะพอนึกขึ้นในทีหายไปแหละนึกไม่ออกแล้วตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อเขียนหนังสือหลวงพ่อว่าปัญญามันผุดขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อเขียนหนังสือไม่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันผุดขึ้นมาเนี่ยต้องรีบจดโนด้ตไว้เลย เนี่ยตอนหลังเราจะเขียนแล้วก็เอาโน้ตเราเนี่ยมาแยกแจกจำแนงอันนี้เป็นหลักการอันนี้เป็นวิธีการอันนี้เป็นข้อสรุปอันนี้เป็นออะไรต่ออะไรตัางๆทีนี่ยปัญญามันมาจากความว่างปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมันผุดขึ้นมาจากใจเราที่เข้าถึงความว่างที่ไม่มีตัวตนกันน่นแะอันนั้น เ, เรียกองค์ความรู้องค์ความรู้พวกเนี้ยมันไม่เกิดปัญญาระดับเหตุผลที่มาจากความรู้ที่เราจดจําไว้ มนุษย์เราเนี่ยมีปัญญาสามสามระดับเดียวกันปัญญาระดับความรู้เรียกว่าสุตตะมยะปัญญาปัญญาระดับความคิดเหตุผลกินตะมัยะปัญญาปัญญาสองระดับเนี่ยประจักษ์แจ้งความจิิงไม่ได้ปัญญาอีชนิดหนึ่งที่พระเจ้าจัดสรูปความจิิงมันมาจากจิตที่ว่างจากความรู้สึกของมีตัวเราหลังจากคุูองค์ไปอยู่กับสองอาจารย์บังคับให้ใจมันสงบได้าได้สมาบัติ มีสิ่งมีถูกรู้มีผู้รู้ไม่เกิดปัญญาผู้ชายมาได้จัดสรู้ด้วยวิชาของสองอาจารย์หลังจากท่านจากจากสองอาจารย์มาแสวงหาด้วยตัวเองอดข้าวอดน้ำทรมานร่างกายก็ไม่ใช่อีกมาได้รับข้าวของนางชิตชาดาอินข้าวปัญจวัคคีย์ในการนีเลยหนีไปป่าอิสิปตนามาเลยก็แต่ว่ยาย่าอยู่คนเดียวได้จัดจาจรุทรงพักพรอยู่เกตตระดาน ผู้ชาติตัดรู้ด้วยปัญญาที่เกิดจากใจที่มันว่างจากความรู้สึกว่า ม, มีตัวเราท า, ายังไงใจมันจะว่างจากความตัวเราทายังไงใจมันจะว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวเราตัวเราก็เกิดจากอะไรเกิดจากความคิดถ้าไม่มีความคิดตัวเราก็ไม่มีตอนี้ความคิดมันจะหยุดไปด้วยธรรมชาติโดยธรรมชาติของมันเอง ไม่มีวิธีอื่นเลยจนมากเราทําด้วยการบังคับควบคุมไม่ให้มันคิดให้มันไปรู้อย่ากลมหายใจโยมทําจนตลอดชีวิตโยมก็ไม่มีทางที่จะรู้จักหรือเข้าถึงความจริงได้เลยเพราะมันยังมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้มันต้องเป็นกระบวนการความคิดที่หยุดไปได้วยตัวมันเองเพียงเราหันมาสังเกตมันโคไม่ละอ่อนเลีย้ยงยากำเนิดนี่โยมจําไว้เลยนะวิธีปฏิบัติคือโคไม่ละอ่อนเลีย้ยงยากำเนิด้ลยอ่อนเี้ยงยากำเนิ้เลยิธีปฏิบัอ น้ตใส่ใจไว้เลยทำงานทำการไปด้วยเลี้ยงญาติไปด้วยชำเลืองดูลูกไปด้วยทํางานไปด้วยชำเลืองดูใจไปด้วยเราจะชำเลืองได้ตอนที่เรานึกขึ้นได้คือมีสติตัวที่นึกขึ้นได้แหะคือสติเพราะฉะนั้นปัญหาของโยมก็คือเมื่อใจเราว่างจากความวิตกกังวลเนี่ยปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาของชีวิตมันจะเกิดขึ้นเราอาจจะไปได้งานที่ดีกว่านี้ก็ได้เใช่ไหม นายยอมจะถามอะไรบ้างไหมเกือบสามทุ่ ม, มแล้วอ๋อเข า, า, า ไ, ไะะ อ, อ้สำนักต่างๆเนี่ยเขาก็จับประเด็นต่างๆเพื่อที่จะมาเข้าถึงความจริงนั้นเลยอยู่ รู้เพมาได้บอกว่าสา น, นักโน้นผิดํา น, นั้นนี้ถูกหรืออะไ ร, ร อ, อะไรนะแล้วแต่ใครจะปฏิบัติแล้วแล้วแต่เจริตใครชอบอันไหนแต่ว่าเป้าหมายก็คือเข้าถึงความจริงให้มันได้มิติที่ไปพ้นจิตสามัญจานึกหรือมิติที่ไปพ้นปุถุชนที่มีตัวตนเนี่ยมันคือมิติของความจริงแต่พวกญาติบอกวิธีไว้แล้วคือโคลเมลอ่อนเลีมยงญาติชํานืงดูลูกน้อย ในหลักการปฏิบัติไตรสิกขาอธิศีลอธิกิจอธิปัญญาหรือทางสายกลางหรืออายามัชมีองค์แปดหรือเริ่มด้วยสติปัฏฐานสี่นึกกนได้สังเกตชำเลืองดูใจิตใจและความคิดหายไปมันจะรู้พร้อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเห็นกายเห็นเวทนาเห็นคิดเห็นทำในขณะเดียวกันไม่มีใครเห็นสติปัฏฐานสี่คือจุดเริ่มต้นของโพธิปักขฏยธรรมสาิบเจ็ ตลอดสายไปถึงถ้ำถึงอะไรยมักมีวงแปดสายนี้ไม่มีตัวตนเลยเพราะจุดเริ่มต้นโยมจะต้องขจัดหนทางของการปฏิบัติเนี่ยจะต้องไปพ้นความรู้สึกของมีตัวเราถ้าเรายังใช้ปัญญาระดับเหตุผลนั่นมันยังมีตัวตนเห็นมันถูกเห็นมันผิดเห็นมันใกล้เห็นมันไกลเห็นมันใหญ่เห็นมันเล็กเห็นมันสูงเห็นมันต่ำเห็นมันเกิดเห็นมันดับเนี่ยมีตัวตนตัวตนเกิดจากอะไรเกิดจากความคิด ถ้าไม่มีความคิดยยงลงสังเกตสิสังเกตใจเนี่ยไม่มีความคิดเลยเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆเนี่ ย, ยตัวตนไม่มีขนาดนี้ยารู้สึกยังไงเบาสบายหลพ่ออยากแนะนำให้โยมห่านหนังสือของหลวพ่อเขียนไาสองเล่มทางสายกลางสู่อิสรภาพแห่งชีวิตกับนิพพานได้ในทุกนานิพานได้ในทุกนาปัจจุบันเนี่ยเล่ม น, นี้ขายดีมากเลย นิพพานได้ในทุกขณะปัจจุบันทางสายกลางสู่อิสภาพแห่งชีวิตหลงพ่อเขียนมาจากความรู้ที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็จดไว้จวดไว้ไม่เป็นเรื่องหรอกแต่ว่าเป็นตอนตอนแล้วก็เราก็ตั้งชื่อมันนิพพานได้ในทุกขนาเนี่ย ถ้าโยมไม่เห็นจิตใจของตัวเองที่มันประพัดสอนที่มันว่างเนี่ยโยมจะอ่านหนังสือหลวงพ่อไม่เข้าใจเลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลมันเป็นภาษามันเป็นสภาวะที่อยู่เหนือเหตุผลแล้วใช้คำพูดในระดับเหตุผลเช่นคำว่าจิตไม่ใช่จิตเนี่ยจิตไม่ใช่จิตเนี่ยหมายถึงอะไร พี่เล่คือพุทธะเข้าใจได้ไหมไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่เข้าใจเ <c oughs> นี่ยโยมลงไปหาอ่านดูแล้วก็มีปิิศนาธรรมเนีย่ยวันนี้หลวงพ่อจะมอบปิจศนาธรรมให้โยมไปคิดดูอีกเดือนหนึ่งเนะ่ยหลวงพ่อจะมาพูดดีกๆก็วันที่สิบเก้าเนี่ย วันนี้หลวงพ่อให้โยมหลวงพ่อการบรรพช่วยมีสามตอนด้วยกันหนึ่งคือสภาวะจิตที่ไปพ้นการรับรู้อย่างแบ่งแยกไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีผู้รู้เข้าถึงสภาวะที่เป็นหนึ่งเดียวกับสรบพพสิ่มเรากับสรบพพสิ่มที่เราเห็นเรากับสิ่งต่างๆที่เราได้ยินเป็นหนึ่งเดียวกันเรียวกว่าเอกาอยา น, นมามะโกนี่คือจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นที่ไปพ้น วิตติยุจิตสามันทั้นึกที่มีตัวตนนั่นก็คือเมื่อเราหันเข้ามาสังเกตจิตใจเนี่ยความคิดมันหายไปเนี่ยการรับรู้มันจะต่างไปจากเดิมเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆสักตัวเห็นสักตัวได้ยินเนี่ยไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีผู้เห็นเราก็สิ่งที่เราเห็นเราก็สิ่งที่เราได้ยินเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือจุดเริ่มตน้นโยมต้องเอาตรงเนี้ไปปฏิบัติสักเดือนหนึ่งนะหลวงพ่อต้องการประสบการณ์ จากการปฏิบัตินยิยมแล้ววันที่เท่าไหร่ล่ะสิบเก้าสิบเก้าเดือนหน้าหลวงพ่อจะมาทีนี้หลวงพ่อจะให้จุดที่สองระดับที่สองหลวงพ่อแบ่งการปฏิบัติไว้เป็นสามระดับด้วยกันหนึ่งไปพ้นกิจสามันทำนุสให้ได้ก่อนรู้จักสิ่งนี้ก่อนรู้จักสภาวะที่ไม่มีตัวเรารู้จักการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสจับตาเห็นจักตาดินรับรู้อย่างไม่แบ่งแยกตัวนี้ให้ได้ก่อนเนี่ยไม่คุ้นได้ตอนไห น, นช้ำเรืองดูอย่าไปจอ้องมันนะ ถ้าจ้องมันก็ไม่คิดเหมือนกันแต่มันจะมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้ขึ้นมาเราจะรู้สึกอึดอัดสภาวะตรงนี้โยก็ต้องหาเ อ, าเองด้วยมันเป็นความพอดีเขาเรียกว่าทางสายกลางเนี่ยคือความเป็นกลางๆเนี่ยความเป็นกลางกลางเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างเหตุผลไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างสูงกับต่ำไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างดำกับขาวเป็นสีเทาๆไม่ใช่ ทางสายกลางคือสภาวะที่ไปพ้นเหตุผลแล้วไม่มีสูงไม่มีตำ่ำไม่มีดำไม่มีขาวไม่มีเนี่ยเข้าถึงสักกะเข้าถึงความว่างนี่คือจุดเริ่มต้นโยนมไปทําแค่นี้เนี่แล้ววันที่สิบเก้าหลวว่าจะบอกระดับที่สองเอกภาพคือความหลากหลายหนึ่งกับความหลากหลายเนี่ยมันมันเป็นสิ่งเดียวกันได้ยังไงนี่คือระดับที่สอง ลำดับที่สามสูงสุดสู่สามัญเข้าถึงความจริงสูงสุดแล้วก็ลงมาอยู่กับโลกที่มีของคู่ที่อยู่กับโลกที่ใช้เหตุผลอยู่กับโลกที่สมมุติใช้สมมติอย่างไม่ขัดแยง้งอยู่กับเหตุผลอย่างไม่ขัดแยง้งมีสามระดับหลวงพ่อใช้เวลาการปฏิบัติสามระดับนี้มายี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบสามปีแล้ว อันนี้เป็นทางสายใหม่นะโยมหลวงพ่อเชื่อว่าโยมไม่เคยได้ยินไปฟังอย่างเนี้ยส่วนมากก็พิจารณานามพิจารณารูปเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันเที่ยงเห็นมันไม่เที่ยงโอ้ยไม่มีตัวตนละบังคับมันก็ไม่ได้ไปให้มันแก้มันก็แก่ใช่ไหมอั น, นของหลวงพ่อไม่ใช่อันนั้นนะแต่หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าอันนั้นผิดนะ <S <S แต่ของหลวงพ่อเนี่ยแม้กระทั่งจิตตังรักเขตมีตะวีปลาดตามรักษาจิตทั้งตัวหลวงพ่อมันจะไปตามดูความคิด ไม่เด๋ไปตามสรุปความคิดว่ามันเกิดมันดับมันเที่ยงมันไม่ดีแต่เราก็จะตามรักษาสภาวะจิตที่พระพัฒนสอนที่เป็นปกติตรงเนี้แต่นี้พออะไรเกิดขึ้นในจิตที่มันว่างเราจะเห็นชัดเลยไม่ว่าความคิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นมันชัดเลยเนี่ยเหมือนกับเราจ้องดูน้ำเนี่ยพอมีปลาแล้วก็โดดขึ้นมาเราก็เห็นมันแล้วเผชิญหน้ากับปลาแล้วไม่ใช่ไปวิ่งตามความคิดคุณตามไม่ทันหรอก ผู้ไม่สามารถจะตามความคิดทันนะถ้าโยมไม่รู้จักติตประภสอนตัวเองนี่ยโยมไม่สามารถเห็นความคิดได้เลยก็เป็นเพียงไล่ตามความคิดความคิดหนึ่งไปไล่สรุปความคิดทีแล้วเห็นมันเกิดเห็นมันดับแล้วเลยสรุปว่ามันไม่มีตัวตนโยมนึกว่าเราเห็นใจรักเห็นมันเที่ยงเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันบังคับมันก็ไม่ได้ไม่มีัมันจะละวางไหมละวางไหมปัญญาระดับเหตุผล ละวางไม่ได้ปัญญาอภิทูลละวางความยึดถือไม่ได้ต้องปัญญาญาณหรือญาณทัศนะที่เกิดจากใจที่มันว่างอยากตัวตนเท่านั้นแหละถึงจะละวางความยึดถือต่างๆละวางอารมณ์ที่มากระทบละวางความเห็นละวางขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒ น, นธรรมที่เป็นศีลประภะปาฏมารละวางความหมายของภาษาอัตวาทุปาทานแต่นี้จิตเราก็เป็นอิชรา ยมจะเห็นความเป็นอิสระในขณะที่จิตเป็นว่างเห็นตัวว่างเนี่ยนั่นแหละจิตเป็นอิสระแล้วเข้าถึงความมีมุติคือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาแล้ววันนี้หลวงพ่อให้จุดเริ่มต้นด้วยการหันเข้ามาชำระดูจิตใจแล้วไปพ้นจิตสามัญจานึกนี่คือจุดเริ่มต้นหนึ่งบาทวันนี้หลวงพ่อให้เป็นหนึ่งบาทเราจะมีเงินร้อยบาทยมจะต้องเริ่มเก็บตั้งแต่หนึ่งบาทใช่ไหมสองบาทสามบาทห้าบาทสิบาท จนกระทั้งครบร้อยบาทยี่สิบห้าบาทยังโซดาบัตรแหละห้าสิบบาทฟังทีตาคนํนห้าสิบาทเนี่ยยังความโลภความโกรธยังเพิ่งละเนี่ยยังไม่หมดนะพอใจไม่พอใจยังมีนะแต่ความโลภความโกรธนี่ไม่มีแล้วพอใจก็ไม่พอใจกับความโลภความโกรธนี่นต่างกันนะโกรธนี่ออกมาทางหูทางตาแล้วพอใจไม่พอใจนี่เรายังกดข่มมันได้เนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้น ที่เราจะภาวนาหรือพัฒนาให้จิตช่วงเราเนี่ยดําเนินชีวิตอยู่อย่างปราศจากความรู้สึกว่ามีตัวเราปราศจากอัตราตัวตนโยมลองคิดดูชิว่าเราจะมีความสุขขนาดไนเราจะรู้จักนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยี่กว่าความสงบจากความรู้สึกว่ามีตัวเราไม่มีเลยโยมจะรู้จักพุทธพจนี้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่มีสุขไหน ที่เจ็ดเท่ากับไอ้ความสงบสงบตรงนี้ต้องสงบจากความรู้สึกมีตัวเราด้วยนะเนี่ยวยมจะเข้าใจโอ้แต่เนี้ยมันจะแสดงมาทางหน้าตาโลกภยัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนเลยเนี่ยลงพ่ออายุเจ็ดสิแปดไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บลความดันโลกหัใจโลกอะไรตัอะไรไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บเนี่ยคือผลของการปฏิบัติพอจิตเราดี กายกับใจการสูบฉีดเลหิตมันทำงานตามเป็นปกติมันเราดำรงอยู่ในชีวิตทั้งความเป็นองค์รวมไอ อ, อ, องค์รวมของชีวิตชีวิตบุรณาการเนี่ยมันจะรักษาธรรมชาติตัวมันเองโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาจากความเครียดวิตกกังวลกลัวโ ย, ยมอยากกลัวตกงานนะ เดี๋ยวจะเครียดหมอบอกว่า8ปดสิเอร์เซนเนี่ยมันมาจากความเครียดเราไม่รู้ตัวนอนไม่หลับคิดมากไปเอายานอนหลับมากินนิ่งเป็นโทษก็ อ, ว, อวัยวะของร่างกายมากเลยวิธีให้ความคิดมันหยุดยังไ่ต้องทำอะไรไม่หรอกโยมหันมาชมเรืองมันก็หยุดแล้วง่ายมากเลยวิธีที่จะทำให้ความคิดหยุดเดืยไม่ต้องไปบังคับมันหรอก เพียงยอมหันมาดูมันเนี่ยมันมีแล้วความคิดหายไปแล้วแต่การที่เราจะพัฒนาให้มันหยุด น, น, นานๆตรงนี้ยังต้องใช้เวลาไม่ใช่วันสองวั น, วนเดือนสองเดือนปีสองปีนะอย่างน้อยๆที่หลวงพ่อปฏิบัติมันเนี่ย้าปีหกปีถึงจะเริ่มรู้จักจิตที่มันไม่หวั่นไหวต่อจงอางที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยไม่กลัวเลยโอไอ้นี่เองคือสมาธิ สัมมาสมาธิด้วยเนี่ยโยมโยมจะรู้จักสัมมาสมาธิโยมโยมจะรู้จักปัญญายานหรือยานทัศน์ญาณที่มาจากความว่างปัญญาตัวนี้มีอยู่แล้วในคนเราทุกคนตอนพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆโอ้ทุกคนมีปัญญาตัวนี้อยู่แล้ว แต่ไม่รู้จักที่จะพัฒนาเอามาใช้เองแม้คนไม่รู้หนังสือก็อมีสิ่งนี้ได้ฮะหลวงพ่อห้เวลยัยโอ้ยอเบ็ดมุมแล้วใครจะถามปัญหาอะไร ไ, ไหมโยมจะมาอครั้งน่นวันที่สิบเก้าโยมสิบเก้านี่โยมจะต้องมีประสบการณ์โยมจะต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์คือการเข้าถึงสภาวะจิตที่มันไม่มีความคิดนะ ชำเลืองและความคิดหายไปเนี่ยยมต้องมีประสบการณ์ตรงนี้แล้ะแล้วถ้ายมไม่มีประสบการณ์ตรงนี้นะยมจะรู้จักยมจะเข้าใจการรู้ในความเป็นองรวมหรือความเป็นทั้งหมดของชีวิตไม่ได้เลยมีลูกศิษย์คนนึงถามอาจารย์อาจารย์อะไรคือสิ่งมหศัศจรรย์ที่สุดอาจารย์บอกว่าแันนั่งอยู่ในความเป็นทั้งหมดเหมือนกัน การรับรู้ในความเป็นทั้งหมดเนี่คือสิ่งที่มาจาตจันไม่ใช่ดำเข้าไปในดินเดินไปบนน้ำไม่ใช่เขาเรียกการจันหนักรู้ยงเคยอ่านหนังสือโอโชไหเคยอ่านหนังสือโอโชไหอโอโชเขาบอกการดำรงชีวิตที่แท้จริงคือการดำรงชีวิตอยู่อย่างการหนักรู้อย่างจารหนักรู้ ยังอย่างรู้เนี่ยอย่างรู้ตะหนักรู้เอ็นไลต์เต้นซาโตลิรู้ในตัวรู้ตัวนี้มาจากใจที่มันว่างจากตัวตนใช่ไหมตัวตนมันเกิดจากความคิดพอโยมสังเกตความคิดหายไปตัวตนก็หายไปแล้วพอตัวตนหายไปการรับรู้ชนิดใหม่โอ้เนี่ยเราชีวิตใหม่ชีวิตที่สดใหม่ในทุกขณะเนี่ยนิพานเนี่ย นิพพานได้ในทุกขณะงั้นโยมก็เริ่มรู้จักนิพานนพานโอ้โหนิพพานเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่ตายแล้วถึงนิพพาน เ, นเป็นเปนในละโยมนิพพานคือสภาวะจิตจที่เข้าถึงมิติของความจริงที่ไม่มีตัวเราเป็นศูนย์กลางถ้โยมมีคำถามไหมดึกแล้วสามทุ่มแะ อแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแด้อย่างนี้ตลอดเลยนะฮะมันก็ยังไปยินดีพอใจอยู่กันยมไม่ต้องไปยมไม่ต้องไปรู้อารมณ์ยมไม่ต้องไปรู้ที่ลมหายใจจีลมหายใจนั่นมันยังเป็นอุบายอยู่ยมหันมาดูขบวนการความคิดเลยทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้จันเกินเออขบวนการความคิดนี่แหละความคิดมันจะหายไปเลย แล้วเราจะเห็นอะไรเห็นสภาวะจิตที่มันมว่างๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมโยมต้องเข้าใจว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมกับรู้สึก feeling รู้สึกมีประสาทสัมผัสเนี่ยมันต่างกันนะรู้สึกว่ายกเนี่ยเนี่ยรู้สึกอยู่กับการยกเนี่ยมีกกายวิญญาณ น, นั่นเป็นอุนั่นเป็นอุบายของท่านไงเพื่อที่จะเข้ามาถึงจิตใจเพื่อที่จะเข้าถึงใจนั่นะเป็นอุบายที่จะเข้ามาดูใจที่จะเข้ามาเห็นใจคำสอนสูงสุดของหลวงพ่อเทียนอะไรรู้ไหมไม่หนีไม่สู้ไม่อยู่ไม่ไปไม่หนีไม่สู้ไม่อยู่ไม่ไปฟังใหม่หมลวง พ, อพอ่อกำลังข้ดใจ หลุงพ่อเนี่ยลูกศิษย์ลุงพ่อเทียนแต่ลุงพ่อไม่เคยบอกว่าลุงพ่อเป็นลูกศิษย์ใครลุงพ่อไม่อยากจะเอาอาจารย์มาแบ็กอัพตัวเองให้มันเด่นขึ้นมาไม่ใช่หลุงพ่อพูดรับผิดชอบคําพูดตัวเองไม่ต้องการจะเอาอาจารย์มาแบ็กอัพไม่หนีไม่สู้ไม่อยู่ไม่ไปนี่คือคําสอนของลุงพ่อเทียนหมายความว่าอะไรไม่หนีไม่สู้ไม่อยู่ไม่ไปือ นั่นแหละคือสภาวะที่จิตมันว่างจิตที่ว่างเนี่ยมันไม่มีของคู่มันไปพ้นเหตุผลแล้วไม่มีหนีไม่มีสู้ไม่มีอยู่ไม่มีไปไม่มีใกล้ไม่มีไกลไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กแต่ก่อนหลวพ่อก็ไม่เข้าใจละไม่หนีไม่สู้ไม่อยู่ไม่ไปเนี่ยในพระใจไปดกไม่พักไม่เพียนไม่จมไม่ลอยเหมือนกันก็คือสภาวะจิตที่ไปพ้นเหตุผลแล้วนี่คือคาสอนของท่านคาสอนที่สูงของงพ่อเตียนนะ ถ้เราเข้าถึงสภาวะจิตที่มันว่างเนี่ยประสาทสัมผัสมันจะรับรู้เฉยๆกระบวนการความคิดมันจะไม่มีลงความเห็นนั่นแหละไม่หนีไม่สู้ไม่อยู่ไม่ไปใช่เราก็จะตระหนักรู้โอ้สิ่งต่างๆมันเป็นมันอย่างนั้นเองไม่มีหนีไม่มีสู้ไม่มีอยู่ไม่ไปไม่มีถูกไม่ผิดไม่มีดีไม่แต่อุบายของท่านคือการยกมือแต่เสร็จแล้วก็ต้องมาเข้ามาถึงจิตใจพอถึงจิตใจแล้วก็ไม่ต้องยกมือ พอถึงสภาวะของจิตแล้วนี่ไม่ต้องไปยกมือเข้าถึงเป้าหมายเพราะฉะั้นเป้าหมายของอุบายต่างๆไม่ไว่าจะเดินจงกลมกาหนดที่โ น, น่นกาหนดที่นี่เนี่ยการกาหนดเนี่ยมันยังอยู่ในมิติจิตสามัรถจานึกที่มีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้พอเข้ามาถึงจิตใจและเห็นใจมันว่างแล้วเนี่ยมันไปพ้นมิตินั้นแล้วเราก็ไม่ต้องกลับไปอยู่ที่มิตินั้นอีกแล้ว พัฒนาสภาวะตรงนี้ให้มันก้าเพาเท่านี้มันจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะที่หลวงพ่อบอกนี่คือจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นที่จะพายพ้นจิตสามันสํานึกที่มีตัวตนที่เราใช้เพียงปัญญาระดับเหตุผลว่ามันเกิดมันดับมันเที่ยงมันไม่เที่ยงแต่เราจะต้องปฏิบัติหรือพัฒนาไปบนวิถีไม่ว่าจะจะเดินยืนนั่งนอนทําอะไรตล อ, อดอยู่เห็นจิต ท, ที่มันว่างจากความคิดตรงนี้ด้วย การกระทำกับเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือวิธีของเอกายนะมัคโคก็สมควรกับเวลานะวันนี้นะเดี๋ยวลงพ่ออีกทีก็น่น่ะวันที่เทไรสิบเก้าสิบเก้าโยมได้ฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัตินะถ้ายมถ้ายมไม่ปฏิบัตินะโยมฟังขั้นต่อไปไมรู้เรื่องหลงพ่อเมนูเลยนะ วันนี้ก็สมควรกับเวลาโยมนะโยมนับพอนะ <c oughs> ยถาวลิวหาพุลาภุิุนชาะลังเอวมเอวมเวมตัวตินงเตนงอุปกะปติอิติตังปติตังตุมหังิปมเมวะสมิจุสุสเปพพุนสังกปะกันโทปนาาัสโวยถามิโชติลาโสยะถา สปีติโยวัดกันตุสปโลโกวินตโตมาเตปวัดวนตราดโยสุขีทีกาโยโกภวะอภิวาตนาสีลิสภุตตาปจายิโนจัตตาโลตมาวัตันติอายุวโนสุขังภะลัง